คูบาอาจารย์คือหลวงปู่ดุลท่านเคยพูดไว้ว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยจิตเข้าข้างในเป็นมรคสมุทัยคืออะไรคือความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากจะส่งให้จิตออกนอก จิตอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะกามตันหาภวะตันหาอยากมีอยากเป็นอ ย, อยากได้นั่นอยากมีนี่อยากไปนั่นอยากมีนี่อยากดูนั่นอยากฟังนี่ถ้าจิตออกข้างนอกก็ถ้าจิตไปหารูปเสียงกลิ่นรสก็เรียกว่าไปตามความอยาก เป็นสมุทยัยสมุทัยก็คือต้นเหตุของความทุกข์ไปแล้วก็จะทุกข์ตพอสิ่งที่อยากได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเวลาได้มาก็ดีใจเวลาหมดไปก็เสียใจนี่คือจิตส่งออกส่งออกนอกไปทั่ว ไปตามรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมีรูปที่ไหนสวยก็ไปไปท่องเที่ยวไปดูไปฟังไปริมรดไปดมกลิ่นเรียกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมไทยัยเพราะว่าไปแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์เพราะารูปเสียงกลิ่นรสที่ได้ไปสัมผัสไม่เที่ยง ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหรือไม่หมดก็เบื่อเห็นรูปซ้ำๆซากๆยันดูภาพยนตร์เรื่องเก่าเนี่ยดูหลายๆครั้งก็เบื่ อ, ร, อรูปเสียงกิจลดเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่ามันจะถ้าไม่หมดมันก็ทำให้เราเบื่อ ถ้ามันหมดก่อนที่เราเบื่อเราก็เสียใจมีแต่ความทุกข์ตามมาถ้าส่งจิตออกไปหาสิ่งต่างๆภายนอกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายทําให้จิตทุกข์จิตร้อนจิตกวนกวายจิตกส็สาบก็สายจิตไม่มีความสุขสุขเดียวเดียวสุขตอนที่ได้เสพ ใหม่ๆ ห, หลังจากนั้นแล้วความสุขนั้นก็จะจางหายไปเหมือนควันไฟเหลืออยู่ก็คือความทุกข์ทุกได้รูปแบบถ้ารักก็ห่วงห่วงก็ทุกข์หวงก็ทุกข์แล้วถ้าต้องจากกันก็ทุกข์พอไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวัวนพัดพากจากกันทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกใจเนี่ย เป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเมื่อเป็นอนิจจังมันจึงเป็นทุกข์เพราะจิตเมื่อรักเมื่อชอบอะไรแล้วก็อยากจะให้อยู่นานๆแต่ก็ไม่สามารถบังคับควบคุมบังคับเขาได้เขาเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับตามความอยากของเรา พออยากแล้วไม่ได้ก็ทุกข์เนี่ยนี่คือการส่งจิตออกนอกเป็นมัคเป็นสมุ ท, ทยัยการดึงจิตเข้าข้างในเป็นมัคมัค ก, ก็คือทางสู่การดับทุกข์ทางสู่ความสงบมัค ก, ก็คือสติผู้ที่การจะดึงใจให้เข้าข้างในได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้ดึง ถ้าไม่มีสติก็ดึงใจเข้าข้างในไม่ได้ใจจะถูกตันหาความอยากคอยผลัก ด, ดันให้ออกข้างนอกให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะเพื่อจะได้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเมื่อเกิดสุขเวทน า, า, าก็เกิดตันหาอยากได้ไปเรื่อยอยากได้สุขแบบนี้ไปเรื่อย ดูภาพปยชน์เรื่องนี้แล้วก็มีความสุขก็อยากจะมีความสุขที่จะดูภาพประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งมันก็จะมีความอยากไปเรื่อยๆได้ความสุขจากอะไรก็อยากจะได้ความสุขจากสิ่งนั้นไปเรื่อยๆได้ความสุขจากการสูบบุหรี่ก็อยากจะสูบบุหรี่ไปเรื่อยๆได้ความสุขจากการดื่มสุรายาเมาก็จะสูบก็จะดื่มไปเรื่อยๆ ได้ความสุขจากการไปเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวไปเรื่อยๆพอไม่ได้ไปเที่ยวก็จะทุกข์ขึ้นมาพอไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้ทําสิ่งที่อยากทําก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้คือผลของการส่งจิตออกนอกปล่อยให้กิเลสให้ตันหาความอยากเป็นผู้ฉุดลากให้จิตออกไป เราจึงต้องมาจเจริญมรรคกันมาจเจริญสติกันเพราะถ้าไม่มีสติจะดึงใจเข้าข้างในไม่ได้ใจจะถูกความอยากคอยผลักให้ออกไปข้างนอกอวิชชาความหลงความหลงจะหลอกให้ใจไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็จะสั่งให้สังขานคิดแต่เรื่องการออกไปหาสิ่งต่างๆไปหาความสุขจากรูปเสียงกิรลดพลถภะไปหาความสุขจากลาบยศสะละเสริญหาแล้วก็จะทุกข์ได้ามาแล้วเดี๋ยวหมดไปก็ทุกข์เอพวกที่ไปติดอยู่ในถ้ำก็เหมือนกันมะสิบสามคนอันนี้ก็ตันหาความอยาก อยากเที่ยวอยากดูถำ้ำอยากดูรูปของถ้ำว่าเป็นอย่างไรก็เลยไปเที่ยวต่ถ้ำกันพอไปเที่ยวแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาติดอยู่ในถำ้ำออกมาไม่ได้ก็เป็นทุกข์ถ้าไม่มีตัณหาความอยากก็จะไม่ไปเที่ยวถำ้ำ อยู่บ้านนั่งสมาธิอ่านหนังสือไปอก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือโทษของตัณหาความอยากตัวที่จะอคอยคอยส่งคอยดันจิตใจให้ไปหาความทุกข์กันเพราะสิ่งต่างๆที่จิตใจอยากจะได้เห็นได้รู้ได้ยินได้ฟังได้ได้สัมผัสเนี่ย มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขเดียวๆอพอความสุขหมดก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านถึงสอนว่าให้ดึงใจเข้าข้างในเข้าข้างในแล้วใจจะสุขใจจะสงบสงบแล้วก็มีความสุขเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เพราะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใคร ไม่ต้องไปเกี่ยวกับร่างกายไม่ต้องไปเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่ต้องไปเกี่ยวกับลาบยศสรรเสริญเป็นความสุขที่ปลอดภัยเป็นความสุขทีอ่อยู่ในตัวของเราเองอเป็นความสุขที่เราควบคุมได้อันนี้แหละเรียกว่านิ จ, จังสุขขังอัตตา เมื่อมีอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ต้องมีอนิจจังสุขขังอัตต า, าแต่พวกเราถูกความหลงหลอกให้เราเห็นว่าสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตต า, าหลอกให้เราคิดว่าลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นนิจจัง เ, เป็น อจีรังถาวรออยั่งยืนดูหนังแต่ละเรื่องเวลาจบนี่พระเอ ก, กนางเอกนี่รักกันไปไม่มีวันจบหนังจบแล้วแต่พระเอกนางเอกนี่ก็รักกันไป forever ใช่ไหมอันนี้แหละคือความหลงหลงไปเห็นว่าความสุขในโลกนี้เป็นความสุขที่ที่จีรังถาวรอ ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะแต่ความจริงแล้วความสุขในโลกนี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ต้องจบไม่จบตอนเป็นก็จบตอนตายต้องมีการพัดภาคจากกันมันจึงเป็นทุกข์เนี่ยเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเป็นให้มันเป็นนิจจังไม่ได้ อะไรที่เป็นอนิจจังเราไปสั่งให้มันเป็นนิจจังไม่ได้แอ่พระพุทธเจ้านี้ท่งค้นพบความสุขที่เป็นนิจจังเป็นอัตตาเป็นของเราเป็นความสุขที่ forever จริงๆอยู่กับเราไปตลอดจริงๆไม่มีวันจากเราไปอยู่กับเราความสุขภายในใจเรานี่แหละ ความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยเป็นความสุขที่เราเรียกว่านิจขขนนนจังสุขขังอัตตาความสงบนี้แหละเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเพราะเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้ตลอดเวลาเราควบคุ ม, ค ว, มความสงบอันนี้ได้ควบคุมใจได้เราจึงควรที่จะมาฝึกสติกัน มาดึงใจให้เข้าข้างในกันวิธีที่จะดึงใจให้เข้าข้างในก็ต้องควบคุมความคิดเพราะความคิดเนี่ยสังขาราเนี่ยเป็นตัวที่จะคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสอวิชาปัจจยาสังขาราพอมีความหลงความหลงก็จะสั่งให้คิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสเพราะคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นนิจจังสุขขังอัตตาะ ก็จะสั่งให้สังขารคิดสังขารก็จะสั่งให้วิญญาณไปหาตาหูจมูกลิ้นกายพอไปถึงตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเกิดก็จะได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดท พ, พะพอได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดท พ, พะก็เกิดเวทนาเกิดสุขขึ้นมาแพอเกิดสุขก็เกิดตัณหาเกิดความอยากอยากให้มันสุขไปนาน อยากให้มันสุกไปตลอดพอมันไม่สุกก็ต้องไปหาใหม่หามาเติมใหม่พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่เพราะว่าอยากจะให้มันเป็นความสุขที่ถาวรเมื่อเครื่องมือที่ใช้ในการหาความสุขมันตายไปคือร่างกายก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต้องไปเกิดใหม่ อนี่คือปฏิจจสามุปบาทอาวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจย า, น า, น, ยานามรูปะปัจจยาอายตนะอายาตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ปัจจยาไปหา อายตนาภายนอกคือรูปเสียงกดลดิ่นรสผลทพะพอเกิดสัมผัสระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายกับรูปเสียงกดลดิ่นรสผลทพะก็เกิดเวทนาเกิดเวทนาก็เกิดตัณหาความอยากเกิดความอยากก็เกิดอุปทานความยึดติดกับสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็เกิดการสร้างภพเพราะว่าจะต้อง มีมีภาวะแบบนี้ไปเรื่อยมีภาวะกับสิ่งที่เรามีความสุขไปเรื่อยพอภาวะนี้หมดไปเราก็ไปสร้างภาวะใหม่ไปเกิดใหม่พอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อมาเสพความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายใหม่นี่คือ การออกส่งใจออกไปข้างนอกด้วยอวิชชาเป็นผู้ส่งออกไปอวิชชาคือความไม่รู้ว่าสิ่งที่เราไปหามันเป็นทุกข์เนไม่รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอาวิชชากลับไปคิดว่าเป็นเป็นอนิจจังสุขขังอัตตาเหมือนคนสมัยโบราณที่เห็นโลกโลกนี้ว่าแบนอันนี้เป็นอวิชชา พรโลกมันไม่แบนใช่ไหมโลกมันกลมแต่คนสมัยโบราณนี้เขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอะไรจะมาพิสูจน์เหมือนคนเราสมัยปัจจุบันสมัยนี้เขามีจรวดดาวเทียมส่งออกไปถ่ายรูปโลกนี้ได้เลยส่งรูปภาพของโลกนี้กลับมาให้เห็นว่าเป็นลูกโลกเป็นลูกกลม แต่สมัยโบราณไม่มีเครื่องม้เครื่องมือมองไปก็รู้สึกว่ามันลาบถ้ามีมีภูเขามีอะไรมันก็เป็นย่อมย่อมไปแต่ถ้ามองไปโดยภาพลวมันจะเห็นว่ามันมันแบนก็เลยคิดว่าโลกนี้แบนนี่เรียกว่าวิชาความไม่รู้ความจริงหรือความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นโลกกลมเป็นโลกแบน จันไดาวิชาในใจของพวกเราก็คือเห็นนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่จะเสพกันนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาอวิชชาพอเห็นอย่างนี้สังขารมันก็มันก็ปรุงแต่งไปหาอะไรมันก็ไปหาปรุงแต่งไปหารูปเสียงกลิ่นรส การที่จิตจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้จิตต้องมีวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายสังขารก็จะสั่งให้ให้วิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายพอตาเห็นสัมผัสกับรูปใจก็จะได้เห็นรูปถ้าไม่มีวิญญาณไปเกาะก็จะไม่สามารถที่จะ เห็นได้เหมือนที่เราใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเราอยากจะใช้หูฟังใช้ไมโครโฟนเราก็ต้องเสียบสายเข้าไปที่เครื่องพอเสียบสายแล้วเราก็สามารถพูดทางไมโครโฟนทางสายได้ได้ยินเสียงทางสายได้ใจก็เหมือนกันใจต้องมีสายมาเสียบที่ร่างกายที่เป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ ร่างกายมีตาไว้รับรูปมีหูไว้รับเสียงมีรูปเสียงกลิ่นมีจมูกไว้รับกลิ่นมีลิ้นไว้รับรสมีร่างกายไว้รับความสัมผัส ต, ต่างๆเช่นอากาศหนาวเย็นหรือของที่มากระทบทางร่างกายของนิ่มของแข็งของหยาบของละเอียดอันนี้เรียกว่าสัมผัสหรือผลทัพทะมา ใจจะรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ต้องมีวิญญาณวิญญาณเป็นตัวเชื่อมใจกับร่างกายเหมือนกับสายหูฟังที่เชื่อมโทรศัพท์กับคนใช้โทรศัพท์ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถพูดไกลๆได้ต้องเข้าไปพูดใกล้ๆปากแต่ถ้ามีามีสายเลื่อนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สายก็มีบลูทูธนีอใช้สัญญาณ ก็เดี๋ยวนี้สามารถวางโทรศัพท์ไว้ที่หนึ่งได้แล้วคนพูดก็มีหูเสียบหูมีที่พูดเดินไปไหนไม่ต้องถือเครื่องไปพูดได้ติดต่อกันไดอ้อันนี้ก็คือใจกับร่างกายเหมือนกับคนใช้โทรศัพท์กับเครื่องโทรศัพท์ร่างกายเป็นเหมือนเครื่องโทรศัพท์อันหนึ่งท่านั้นเองเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือรับรูปเสียงกลิ่นรสผทพะ มาให้ใจใหญ่ก็มีวิญญาณไปเป็นผู้รับแล้วก็มีสัญญาเป็นผู้มาอ่ามามาแปลความหมายของรูปเสียงกิริยาว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรบางทีเราเห็นรูปนี้บางทีถ้าเราไม่มีสัญญาไม่มีความจำเราก็จะไม่รู้ว่ารูปนี้เป็นรูปอะไร อย่างเด็กๆเกนี่ยเกิดมาสัญญาจะไม่มีมีน้อยสัญญากับรูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ในโลกนี้มีบ้างมีแบบที่เป็นที่มันมันมีใครจำได้แต่รูปที่มันจำไม่ได้มันต้องเรียนใหม่ชะเห็นรูปพ่อเห็นรูปแม่ยังงี้ต้องต้องมีคนสอนบอกอันนี้เป็นพ่อนี่เป็นแม่อพอสอนอใจมันก็จะจำสัญญาก็จะจา ต่อไปทุกครั้งเห็นพ่อก็จะจําได้ว่าเป็นพ่อเห็นแม่ก็จะจําได้ว่าเป็นแม่นี่เกิดหน้าที่ของสัญญาพอปัญญาณรับรูปมาให้สัญญาสัญญาก็จะดูว่าเป็นรูปอะไรเป็นใครแล้วพอรู้ว่าเป็นไข่ก็จะรู้ว่าดีหรือไม่ดีเพราะสัญญาจะจําได้ว่ารูปนี้ดีหรือไม่ดีให้ความสุขหรือให้ความทุกข์ พอรู้ปั๊บมันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาถ้าจําได้ว่ารูปนี้ดีให้ความสุขมาก็เกิดความสุขเวทนาขึ้นมาพอรู้ว่ารูปนี้ไม่ดีให้ความทุกข์มันก็ทุกข์กขึ้นมาทันทีพอเห็นงูปั๊บนี่มันทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะมันรู้ว่ามันไม่ดีเดี๋ยวถูกมันกัดนี่มันจะเจ็บจะตายอันนี้คือหน้าที่ของ เวทนาของสัญญาสัญญาจะเป็นผู้บอกใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะท่วิญญาณรับเข้ามานี้เป็นดีหรือไม่ดีสุขหรือทุกข์พอรู้ปั๊เวทนาก็เกิดขึ้นมาทันทีพอเกิดสุขหรือทุกข์สังขารก็ต้องเข้ามาทำหน้าที่ว่าเราจะทำยังไงดีสังขารคือความคิดปรุงแต่งคิดว่าเราควรจะ เข้าหารูปนี้หรืเราควรจะหนีจากรูปนี้ไปะแต่เห็นงูก็หนีดีกว่าถอยดีกว่าเออถ้าเห็นขนมก็เข้าหาดีกว่าเห็นขนมเห็นกาแฟเข า, ขาชงมาร้อนๆมาวางไว้ให้ต่อหน้านี้เห็นขนมมาวางไว้แบบเมื่อเช้านี้โยมาขนมมาให้เห็นแล้วสัญญาณมันก็บอกสังขารมันก็บอกว่ากินให้หมด มันอร่อยมันสุขเวทนา น, นี่คือการทำงานของใจใจใจถูกถูกอวิชชาความหลงที่ที่ไปเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลพะนี่มันสุขแต่มันไม่ใช่มันสุขจริงแต่มันสุขเดียวเดียวมันสุขชั่วคราวแล้วมัน มันพิกกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาได้อันนี้มันไม่เห็นเห็นแต่ว่ามันสุขอย่างเดียวใจของเราพวกเราทุกคนเลยก็เลยพอตื่นตาตื่นขึ้นมาครับอวิชชามันก็เริ่มทำงานเลยมันก็สั่งให้สังขารปรุงแต่งไปหาวิญญาณไปหาตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้กี่โมงเวลาไหนอยู่ที่ไหนกำลังทาอะไรแล้วก็ แล้วก็คิดว่าวันนี้จะต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสชนิดนั้นชนิดนี้ขึ้นมาก็เตรียมตัวออกเดินทางไปทําตามความคิดทันทีเพราะคิดว่าเป็นการไปหาความสุขแล้ววันที่เราตื่นขึ้นมานี้เราตื่นขึ้นมาเพื่ออะไร <c oughs> ก็เพื่อไปหาความสุขกันนะมีใครคิดว่าวันนี้จะตื่นขึ้นมาหาความทุกข์กันไหมไม่มีหรอก <c oughs> มีเราตื่นขึ้ น, นมาวันนี้จะไปหาความสุขที่ไหนดีไปหาความสุขกับใครดี ไปหาความสุขกับอะไรดีแล้วพอคิดแล้วก็ไปไปหาไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่ที่จำได้ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ให้ความสุขแต่พอไปบางวันอาจจะเจอบางวันอาจจะไม่เจอเช่นจะไปหาแฟนถ้าวันไหนเจอแฟนก็มีความสุขดีใจถ้าวันไหนไปไม่เจอแฟน แฟนไม่อยู่แฟนไปทุระหรือไปที่อื่นเนี่หรือว่าไปเจอแฟนเขากำลังมีแฟนใหม่รูปที่คิดว่าจะให้ความสุขก็กลายเป็นรูปที่ให้ความทุกข์ไปก็ได้นะไปหาแฟนโดยไม่ได้บอกแฟนล่วงหน้าก่อนแฟนไม่รู้ว่าเราจะมาหาเขามีแอบมีแฟนอยู่เขากำลังคบกับคนนึงอยู่พอเราไปเห็นเข้าโดยบังเอิญเราก็เสียใจขึ้นมาเนี่ยรูปมันก็กลายเป็นทุกข์ได้ รูปที่เราคิดว่ามันเป็นสุขมันก็กลายเป็นทุกข์ได้เพราะเราไม่ฉลาดเราไม่มีปัญญาเราหลงเรามีอวิชชาเราไปคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลพระนี่เป็นนิจจังสุขขังอัตตารูปไหนที่ก็ให้ความสุขกับเรามันจะต้องให้ความสุขกับเราตลอดแต่เราไม่รู้ว่ารูปมันเปลี่ยนได้ใช่หไหมคนที่ หน้าตาดีวันดีคือดีอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดนไฟลวกหน้าขึ้นมาฮยนี้ก็ได้หรือคนที่ใครมีหุ่นดีไม่ระวังระวังกินมากเกินไปกลายเป็นตุ่มขึ้นมาก็ได้นี่มันก็เป็นอันนี้จังมองไม่เห็นกันรูปที่เคยให้ความสุขก็เลยกลายเป็นรูปที่ให้ความทุกข์ไปนี่คือการไม่มีปัญญาเรียกว่าอาวิชชา การไม่เห็นความจริงเนี่ยเราจรึงต้องมาเรียนความจริงจากพระพุทธเจ้าเพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท น, นที่เห็นความจริงเห็นว่าโลกนี้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดุธภะนี้มันเป็นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่เป็นนิจจังสุขขังอนัตตาอย่างที่เราคิดทุกครั้งที่เราเตื่นขึ้นมาแล้วเรา คิดจะส่งใจออกไปหารูปเสียงกินรสเนี่ยก็ให้รู้ทันทีว่ากำลังไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขแต่เราไม่คิดอย่างนั้นกันใช่ไเราคิดว่าเราจะออกไปหาความสุขกันอยู่บ้านแล้วมันเบื่อรูปเสียงกินรสมันจาเจซ้ำากไม่มีอะไรดูแล้วให้เกิดความสุขเวทนาขึ้นมาก็อยากจะออกไปข้างนอก ออกไปข้างนอกเราจะได้เห็นรูปเสียงกิ่นรถแปลกๆใหม่ๆหเห็นแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่มันก็ไม่แน่นอนบางทีรูปเสียงกิ่นรถที่เราอยากจะเห็นอาจจะไม่ได้เห็นไปเห็นรูปเสียงกิ่ลนรถที่เราไม่อยากจะเห็นก็ได้ออกไปข้างนอกอาจจะไปเจออุบัติเหตุไปเจอเรื่องไม่ดีต่างๆอยู่ดีๆคนก็ขับรถมาปาดหน้าด่าเราหาว่าเราขับช้าไป ก็ไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่เราไม่ปรารถนาที่เป็นทุกข์กันพระพุทธเจ้าถึงถ้าเราอยากจะรู้ความจริงเราจึงต้องมาเรียนจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราคิดในมุมมองใหม่คิดให้มันครบอย่าอย่าคิดด้านเดียวใจของพวกรานี้ชอบหลอกตัวเองชอบคิดแต่ด้านที่ดีด้านที่มีความสุข แต่ไม่ยอมมองไม่ยอมคิดถึงด้านที่มันไม่ดีด้านที่มีความทุกข์ที่อยู่ในสิ่งอันเดียวกันนี่แหละสิ่งเดียวกันนี่แหละมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะเราเลือกมองด้านดีด้านที่มันสุขมันก็เลยทำให้เราไปติดทุกข์เข้ามาเพราะสุขที่เราได้เดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนไปสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยน จากดีมันจะกลายเป็น <tinc S 1> ไม่ดีของที่เราซื้อา er มาใหม่ๆมันดีไะมของที่ตั้งอยู่ในร้านนี่เวลาไปทดลองดูใช้ได้ดีทุกอย่างเลยพอมาใช้ที่บ้านไม่กี่วันเนเสียละเอเดี๋ยวใช้ไม่ได้ละกดอันนี้ไม่ติดบ่างกดอันั่นไม่ติดขึ้นมาเออพอใช้ไม่ได้มันเป็นสุขและเป็นทุกข์อย่างนีเราไม่คิดกันเอ หากคิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เนี่ยมันมันไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องกลายเป็นความทุกข์มันเป็นเป็นสุขต้นสุขต้นทุกข์ปลายแล้วมันไม่มีกําหนดเวลาแน่นอนว่ามันจะทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่บางทีก็เร็วบางทีก็ช้าแต่ที่แน่นอนมันต้องทุกข์แน่นอนบางคนโชคดีก็อาจจะมาทุกข์ตอนปลายตอนตายต ตอนนั้นจะต้องมีการพัดภาคจากกันไม่มีทางที่จะยับยั้งห้ามมันได้แต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีวิธีถ้าอันนี้เสียก็มีเงินซื้อเครื่องใหม่มาแทนก็เลยไม่รู้สึกว่ามันทุกข์เพราะยังมีตัวแทนอยู่ใช้เครื่องนี้เสียเครื่องนี้เสียมีเงินก็ซื้อเครื่องใหม่มาใช้รถคันนี้เสียมีเงินก็ซื้อรถคันใหม่มามันก็เลยยังมองไม่เห็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกแป๊บเดียว ทุกแป๊บเดียวพอได้รถใหม่มาปั๊บมันก็หายทุกเดิมทุกไปละะแต่บางคนนี่มันไม่มีเงินเลยพอได้มาแล้วพอมันหายไปนี่ทุกเกสิซื้อรถมาใหม่ๆรถหายไปไม่ได้ไม่ได้ซื้อประกัน <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีเงินซื้อรถคันใหม่ทํายังไงก็ทุกเท่านั้นอันนี้ก็อันนี้จังใช่ไหม โลงนี้เป็นโลกของนิจังเมื่อมันนิจังมันก็ต้องทุกข์เรียทุกข์ขังที่มันทุกข์ขังก็เพราะว่าเราไปห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันสุขขังอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้มันเป็นนิจังไม่ได้ก็เรียกว่าอนัตตาของต่างๆนี่เราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่เสียไม่ได้สั่งให้มันเสียเวลานั้นหรือเวลานี้ไม่ได้เวลาที่มันจะเสียเราก็ไม่รู้วันดีเกินดีมันจะเสียก็เสีย วันดีเกิดดีมันจะไม่เสียมันก็ไม่เสียอนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะหัดมาสอนใจเราคิดใหม่คิดว่าสิ่งต่างๆที่เรากําลังคิดว่าเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขชั่วคราวอ่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีโอกาสที่จะหมดได้เวลาใดเวลาหนึ่งอถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้บอกว่า เราน่าจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขลวมั้งใช่ไถ้าเรายัางต้องมาวิตกกังวลกับความสุขต่างๆที่เราได้มามันคุ้มค่าหรือเปล่าไหนจะหามาแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้เงินทองมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเสียมันโดยไม่รู้สึกตัวมันดีขึ้นดีมันอาจจะหายไปหมดไปมีภัยธรรมชาติหรือมีอะไรขึ้นมาที่เราไม่ได้คิดว่าคาดการเอาไว้ก่อน โอกาสที่มันจะเสียได้ฝากเงินในธะนาคารธนาคารเจ๊งเมื่อไหร่ก็หมดไปนั้นยุคนี้เขาไม่มีรับประกรันใช่ไหมเราไม่มีรับประกรันเงินฝากมีก็ล้านหนึ่งไงถ้าเกินนั้นก็หมดอันนี้ไม่มีใครรู้ว่ามันจะล้มเมื่อไหร่เพราะเวลาล้มมันไม่บอกล่วงหน้าก่อนถ้าบอกล่วงหน้ามันก็ล้มเร็วขึ้นแต่คนก็รีบไปถอนเงินนะ พอไปถอนวันเดียวมันก็ล้มแล้วแหละนี่คือเรื่องของความไม่แน่นอนของความสุขในโลกนี้ถ้าเราไม่อยากจะต้องมาตื่นเต้นตกใจวิตกกังวลกับสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องมาหาสิ่งที่มันเป็นนิจังสุขขังหนาตาดีกว่า ความสุขที่เท่งแท้แน่นอนที่เราสามารถควบคุมบังคับได้สั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดอันนี้ก็คือความสงบนี่ความสงบนี่แหละที่จะเป็นนิจังสุขขังอัตตาเราถ้าเรารู้จักสร้างความสงบเราก็จะสามารถรักษาความสงบได้เมื่อเรารักษาได้มันก็ไม่มีวันที่จะาจากเราไป เพราะเราเองก็ไม่มีวันสิ้นสุดเราที่นี่ก็คือใจ เ, เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้มีวันสิ้นสุดมีวันจบมีวันหมดแต่ใจนี้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดความสงบที่เกิดขึ้นในใจก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดความสุขที่ได้จากความสงบก็ไม่มีวันหมดเนี่ยใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงแม้จะ ทิ้งน่่งกายไปตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วเนี่ยใจของพระพุทธเจ้าก็ยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกวันที่ได้กาจัดวันที่ควบคุมความสงบได้อย่างถาวรการควบคุมความสงบได้ด้วยอย่างถาวรก็คือต้องกาจัดตัวที่มาคอยทำลายความสงบ ความสงบของเรานี้ยั ง, ยงมีภัยยังมีอันตรายอยู่ตอนที่เราได้ความสงบใหม่ๆนี้มันจะได้เป็นพักๆได้แล้วก็หม ด, หมดเพราะว่ามันมีตัวมาทำลายอยู่เรื่อยๆถ้าเปียดเหมือนตุ่มน้ำตุ่มน้าถ้าเราเติมน้ำเข้าไปเต็มเนี่ยถ้าตุ่มมันไม่รั่วมันก็จะเต็มไปตลอดใช่ไหมแต่ถ้าตุ่มรั่วเนี่ยตุ่มมีรอยร้าวมีรู ถ้าเติมน้ำเข้าไปเต็มตุ่มเดี๋ยวทิ้งไว้สักพัก เ, เดี๋ยวน้ำก็หายไปแล้วน้ำก็จะซึมออกมาตามรูตามรอยรั่วใจเราก็มีรอยรั่วอยู่สามรอยโดยที่จะทำให้ความสงบที่เราได้เนี่ยมันหายไปเวลาเราทำขึ้นมาแล้วพอเราเร า, เรานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วพอออกจากสมาธิมาแป๊บเดียวความสงบหายไปหมดละ เหมือนเติมน้ําเต็มตุ่มปป๊บเดียวเดี๋ยวพอขันกลับมาจะร้องตักน้ําใช้หน่อยเอาน้ําหายไปหมดเลยเพราะว่ามันมีรอยรั่วอยู่อยู่ใต้ตุ่มรอยรั่วของใจก็คือความอยากนี่เองกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาตอนต้นเราทําใจของเราให้สงบด้วยการใช้สติเี่ยอุดรอยรั่วอุดรอยรั่วชั่วข่าวแต่พอ พอเราถอนสติออกมาปับ๊บเราก็เปิดหน่อยรั่วพอจากสมาธิมาเราไม่เจริญสติต่อเราปล่อยให้ใจไปคิดมันก็จะคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสคิดไปหาความอยากต่างๆพอคิดไปหาความอยากใจก็เริ่มวุ่นวายขึ้นมาทันทีอยงนั้นในเบื้องต้นหลังจากที่เราทําใจให้สงบแล้ว เราต้องหาอะไรมาอุดลอยล่วนี้ให้มันอุดได้อย่างถาวรตัวที่จะอุดลอยล่วนี้ได้อย่างถาวรก็คือปัญญาปัญญาก็คือตัวที่จะสอนใจให้รู้ว่าความสงบที่หายไปนี้เกิดจากความอยากพออยากได้อะไรนี้ใจเริ่มสั่นขึ้นมาแล้วใจเริ่มร้อนใจเริ่มกะวนกระวายกระสับกระส่ายขึ้นมาอ ถ้าเรารู้ว่ามันเกิดจากความอยากแล้วก็ต้องหยุดความอยากอย่าไปทำตามความอยากมันอยากเราก็บอกว่าความอยากนี้เป็นอันตรายต่อความสงบต้องกำจัดมันไม่ใช่ทำตามมันเพราะทำตามความอยากแล้วความอยากจะไม่มีวันหมดความอยากจะกลับมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอยากได้อะไรพอได้แล้วเดี๋ยวมันก็อยากได้อีก อยากสูบบุหรีม่มวนนี้แล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะสูบบุหรีม่มวนต่อไปอยากกิกนกาแฟถ้วยนี้แล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะกินกาแฟถ้วยต่อไปเนี่ยพวกเรากินกาแฟกันมากี่ถ้วยแล้วความอยากกินกาแฟนหมดไปหรือยังไม่มีวันหมดเออถ้าอยากให้มันหมดลองอย่าไปกินมันดิทุกครั้งที่มันอยากกินกาแฟก็อย่าไปกินมันอรับลองได้ไม่เกินอาทิตย yeah. ์สองอาทิตย์ความอยากกินกาแฟหายไปหมดแล้วออ ถ้ากินตามความอยากอีกสองอีกยี่สิบปีอีกสามสิบปีก็อยากกินอีกเชื่อไหมแกจนทั้งอายุเก้าสิบก็ยังอยากกินกาแฟายอยู่นั่นถ้าไม่หยุดกินเมื่อไหร่มันก็ไม่หยุดนถ้าอยากจะให้มันหยุดก็ต้องอยากไปกินมันทุกครั้งที่มันอยากกินก็อยากไปกินมันแล้วมันจะสบายกว่าไม่กินกาแฟาได้มันสบายกว่า เขาถ้าถ้าตั้งกินกาแฟ ى, เวลาอยากขึ้นมาก็ต้องวุ่นวายล่ะต้องหากาแฟห า, าหาน้ําหาน้ําตาลหาถ้วยหาช้อนเแิดวันไหนไฟดับต้มน้ําไม่ได้ก็ทุกข์อีกกินกาแฟร้อนก็ไม่ได้น้ําตาลหมดก็ยุ่งนมหมดก็ยุ่งกาแฟหมดก็ยุ่งเห็นไหม มีแต่เรื่องยุ่งตามมาถ้าเรากินกาแฟความสุขได้แป๊บเดียวได้ตอนที่ดื่มก็ไปหมดถ้วยนะั่นเอตอนนั้นก็สุขแป๊บเดียวเดี๋ยวไม่นานก็อยากกินถ้วยใหม่ขึ้นมา ล, ลองเลิกเดี๋ยลองเลิ ก, ล อ, ลกอย่าไปดื่มมันเลิกสักสองอาทิตย์สองสามอาทิตย์นี่รับรองได้จะไม่มีความอยากมากระตุ้นใจเราเองต่อไปใจเราจะเฉยจะสบายที่เลอกกันไม่ได้เพราะใจมันสัน่นเข้าใจไหม เวลาอยากแล้วใจมันสัน่นไม่มีสติหยุดมันแต่ถ้าเรามาฝึกสติกันได้ควบคุมใจให้ไม่ให้สั่นได้เราก็จะเลิกได้อย่างสบายนลองมาฝึกสมาธิดูแล้วรับรองได้ว่าต่อไปเราจะเลิกความอยากทุกชนิดได้หมดเพราะเวลามันสัน่นเราสามารถหยุดมันหยุดสั่นได้ถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิเราจะมีเครื่องมือคือมีอสติ พอเราอยากอะไรนี่ใจจะสัน่นอยากเที่ยวใจก็สัน่นอยากดูใจก็สัน่นอยากฟังใจก็สัน่นแต่เราสามารถหยุดความสั่นนี้ได้ด้วยสติแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากถ้าทำแล้วมันจะต้องเจอความสั่นนี้ไปเรื่อยๆเพราะความอยากมันจะไม่หมดด้วยการทําตามความอยาก ความอยากมันจะหมดต่อเมื่อเราไม่ทำตามความอยากฝืนความอยาก น, นีนะ่คือสาเหตุทำไมเราจะต้องมาเจริญสติมาเจริญปัญญากันสติเป็นตัวที่จะหยุดความสันของใจปัญญาเป็นตัวที่จะคอยเตือนใจสอนใจว่าความอยากนี้เป็นผู้มาเขยา่าเป็นผู้มาทำใจของเราให้สันถ้าเราไม่มีความอยากแล้วจใจของเราจะไม่มีวันสัน ใจของเราจะนิ่งจะสงบไปตลอดจะสบายไปตลอดนี่คือเรื่องของใจที่ท่านสอนว่าถ้าส่งออกนอกก็เป็นสมุทยัยส่งออกนอกก็เป็นการไปหาความทุกข์สมุทัยก็คือต้อนเหตุของความทุกข์ถ้าดึงใจเข้าข้างในก็เป็นมาร์กมาร์กก็คือสติปัญญา สติปัญญาจะเป็นผู้ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบเมื่อใจสงบแล้วสบายไม่มีความอยากแล้วก็ไม่มีความหิวความหิวเกิดจากความอยากเมื่อไม่มีความอยากดื่มกาแฟมันก็ไม่หิวกาแฟไม่มีความอยากเที่ยวมันก็ไม่หิวกับความเที่ยวมันจะเฉยๆมันจะอยู่แบบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทําอะไร เนี่ยความสงบนี้แหละคือความสุขที่แท้จริงที่เป็นความสุขที่ถาวรเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นของเราเราควบคุมได้เราสั่งให้มันสุขได้ใจของพระเจ้าใจของป้าหลานทุกรูปเนี้ยสงบตลอดเวลาอิ่มตลอดเวลาเป็นปรามังสุขขังตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหา ตอนี่พุทธเจ้ามีร่างกายใจท่านก็สุขเพราะท่านคุมได้ถ้าไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นตัวคุมใจท่านใช้สติปัญญาเป็นผู้ควบคุมใจไม่มีร่างกายใจของท่านก็สงบจนบัดนี้ใจของท่านก็ยังสงบอยู่แล้วจะสงบอย่างนี้ไป forever จริงๆจะตลอดไปจริงๆเพราะใจจะไม่มีวันตายความสงบที่เกิดจากสติปัญญาก็ไม่มีวันหมด อันนี้แหละเป็นสิ่งที่แท้จริงของแท้ของจริงของวิเศษที่พวกเราจะไม่มีวันรู้ได้ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นมีพระพุทธเจ้าเพียงคนเดียวท่านเองถ้าเปรียบเทียบก็บเหมือนคนมีคนเดียวในโลกนี้ที่เห็นว่าโลกนี้กลมไม่ใช่ไม่ใช่โลกนี้แบนพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี้ยความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบ อยู่ที่ใจที่สงบเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่เราสามารถรักษาเอาไว้เก็บเอาไว้ให้เป็นของเราไปได้ตลอดความสุขทางโลกทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ไม่มีวันที่จะเป็นของเราไปได้ตลอดได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไป ดังนั้นหลังจากที่เราได้มาพบกับความจริงอันนี้แล้วมันก็อยู่ที่เราแล้วละ่ะว่าเราจะ เ, าเลือกเอาความสุขแบบไหนกันถ้ายังจะเลือกแบบเดิมอยู่ก็รับประกันได้ว่าจะต้องหลั่งน้ําตากันจะต้องเครียดจะต้องทุกข์กันถ้าไม่อยากจะเครียดไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากหลั่งน้ําตาก็มาหาความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบเนี่ย เอแต่จะต้องกว่าจะได้ก็ต้องเหนื่อ่ยก็กก็็กกเหนื่อแตกฮนะเหนื่อยยาก่มันไม่ได้ได้มาง่ายๆที่มันยากก็เพราะว่ามันไปติดของเก่านั่นเองไม่ใช่ว่าเพราะของใหม่มันยากเนะี่ยที่มันยากเพราะเรายังติดของเก่าอยู่ยังปล่อยของเก่าไม่ได้ติดกาแฟเงี้ยเออ ปล่อยกาแฟให้มันกินน้ำเปล่านี่มันยากของใหม่มันไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าไม่สามารถมาหาของใหม่ได้เพราะมันยังติดของเก่าอยู่ทุกครั้งถ้าเราน้ำเปล่ากับกาแฟมาวางไว้นี้เราจะเลือกเอาอะไรใช่ไหมเนี่ยมันติดของเก่าเลยทำให้ยากไม่ใช่ยากเพราะว่ามันของใหม่ยากของใหม่นี่ง่ายจะตายไปพุโทโธพุโทโธ เพ่งดูลมหายใจเฉยๆไม่ไปคิดอะไรจิตสงบก็มีความสุขได้แต่มันไม่ยอมเพ่งเสียมันชอบไปคิดถึงกาแฟชอบไปคิดถึงขนมชอบไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสชอบไปคิดถึงละครชอบไปคิดถึงอะไรต่างๆนานาที่เราเคยคิดที่เราเคยชอบมันติดเหมือนคนติดยาเสพติดมันจึงดึงใจออกจากของเก่ายาก ดึงใจออกจากความสุขที่เป็นอนิจจังทุกขั ง, งนะตายยาความสุขใหม่นี้มันไม่ยากถ้าเราไม่ติดของเก่านี่สบายมากเลยเกาหาของใหม่ได้อย่างง่ายดายที่มันยากก็เพราะว่าเราไปติดของเก่าเนี่ยคนที่มาทางนี้ได้ง่ายเพราะเขาไม่เขาไม่ติดของเก่ากันคนที่มาเกิดแล้วมาบวชได้เนี่ยบางคนบวชตั้งแต่เด็กเลยเป็นเนรบวชมาเลยแสดงว่าเขาไม่ติดของเก่า เขาบวชเนนได้เลยบวชชีกันได้เลยตั้งแต่เด็กเขาก็มาทางนี้ได้ง่ายเพราะเขาไม่ได้ติดของเก่าโลกที่ติดของเก่านี้มาไม่ได้ยากติดรูปเสียงกลิ่นรสติดลาบยศสรรเสริญติดความสวยความงามเห็นไหมต้องแต่งเนื้อแต่งตัวทำาเผาทำผมทำหน้าทำตาทำอะไรต่างๆมาทางนี้มาไม่ได้ อ่ทาทั้งนี้ไม่ต้องทําไม่ต้องแต่งให้เสียเวลาเพราะมันไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้เกิดความสุขที่แท้จริงตัวที่ทําให้เกิดความสุขก็คือสติกับปัญญาท่านเองอยัน้นเราต้องรู้ว่าอุปสรรคที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ความยากของของความสงบนะมันมันยากอยู่ที่การเลิกของเก่าเลิกความสุขแบบเก่าอันนี้มันมันเลิกยาก ้องติดอะไรเรื่องมั น, ม, นมันเวลาจะเลิกนี่มันมือไม้สั่นไปหมดใจสั่นไปหมดหรือไม่งั้นก็หงุดหงิดลำคาญใจเอหรือไม่งั้นก็รู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเหว เ, เนี่ยอันนี้มันเป็นผลที่เวลาเราจะเลิกของเก่ามันจะทําให้เราเ อ, อมีอาการหงุดหงิดมาก เ, เหมือนกับคนติดยาเสพติดเลยเคนติดยาเสพติดยิงบางทียอมตายดีกว่าหยุดเสพยาใช่ไหม เพราะมันเขาคิดว่าความตายมันมันมันไม่ทรมานเหมือนกับการหยุดหยุดเสพยาเสพติดเนี่ยความตายอย่างมากมันก็ปวดแป๊บเดียวแล้วก็หายใจไม่ออกมันก็ตายแล้วแต่เวลาไม่ได้เสพของที่เราอยากเสพนี่มันทรมานมันทำให้เรานี่เป็นบ้ารู้สึกจะเป็นบ้ามันถึงเลิกยาก ที่มันยากเพราะมันเราไปติดของเก่ามากถ้าเราไม่ติดของเก่ามากมันก็จะไม่ยากยาั้นการที่เราจะเลิกมันลาจะต้องทําเป็นขั้นตอนไปก็ได้ทําลดปริมาณลงออค่อยดื่มกาแฟเวลากี่แก้วก็ลดลงไปทีละแก้วออแล้วกินทีละครึ่งแก้วกินให้มันน้อยหน่อยเอลดปริมาณลงไปค่อยๆลด แต่ต้องลดแบบไม่ถอยนะไม่ใช่ลดกลับได้สองวันแล้วกลับไปเดิม <c oughs> มันไหนเกิดอรารมณ์คึกคัก ข, ขึ้นมาอยากจะดูมีก็กลับไปเดิมเหมือนเดิมอต้องมีมาตรการต้องมีความเข้มแข็งอต้องมีวี่ัยต้อง ร, รู้จักควบคุมใจของเองของตนเองออย่าตามใจตัวเองเพราะการตามใจของเรานี่ใจของเรามันไปทางทา ง, ทางความอยากทางนั้นอะ การตามใจนี้เป็นการตามความอยากเราต้องอย่าไปตามใจมันเราต้องทำตาตารางเหมือนกับเวลาหมอเขาให้ยาเรามากินเนี่ยหมอเขาสั่งไว้ให้กินมีมีคาสั่งว่ากินกี่เวลาเวลาไหนบ้างกินกี่เม็ดเราก็ต้องทำตารางเวลาของการดืม่มกาแฟาของเราว่าดื่มเวลากี่โมงดืม่ม ครึ่งถ้วยหรือหนึ่งถ้วยก็ว่าไปพอทำตามนั้นแล้วมันก็จะทำได้ต่อไปแล้วก็ค่อยๆลดลงไปสำหรับคนที่ใจไม่เข้มแข็งถ้าคนใจเข้มแข็งบางทีเลิกเลยไม่ต้องมาลดลเละาลรเท่าน้อยคนที่อยากเข้มแข็งนี้เลิกได้ต้องมีสติมากต้องสามารถขุมความคิดไม่ไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ งั้นก็มีสองทางลดทางลดของเก่าลงหรือมาฝึกสติให้มีกําลังให้มากขึ้นขยันฝึกสติเช่นพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเติมลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าไปคิดมันเพราะเดี๋ยวมันพอคิดแล้วมันก็จะไปคิดหาสิ่งที่เราอยากได้นั่นแหละสิ่งที่เราเคยดื่มเคยรับเคยรับประทานเคยดูเคยฟัง เดี๋ยวถ้าเราไม่ควบคุมความคิดไว้มันก็จะไปคิดถึงสิ่งนั้นพอคิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาฉะนั้นมันก็มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็ลดความอยากลงโดยการลดปริมาณของการเสพสัมผัสกับสิ่งที่เราอยากให้มันน้อยลดลงไปทีละครึ่งทีละครึ่งออีกวิธีหนึ่งก็ ฝึกสติให้มากขยันพุทโธพุทโธให้บ่อยหรือทําทั้งสองอย่างได้ก็ยิ่งดีลดด้วยแล้วก็ลดความอยากลงด้วยแล้วก็เพิ่มสติให้มากขึ้นด้วยได้อย่างนี้ก็จะไปเร็วไปได้สองสองแรงเลยอลดส่วนลดก็ลดไปส่วนส่วนสร้างก็สร้างไปลดตัณหาลดความอยากจะได้ไม่มีอะไรผักดันให้ใจออกไปข้างนอก ล้าก็ใช้สติดึงใจให้เขาเข้าข้างในต้องทำทั้งสองอย่างทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่พอต้องทำทั้งสองอย่างถ้าเราลดข้างนอกเราก็จะมีเวลามาฝึกสติมากขึ้นถ้าเราลดไม่ได้เราก็จะไม่มีเวลาฝึกเพราะถ้าเราไปข้างนอกเราก็จะใช้ความคิดใช้ความอยากกัน ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปดูนั่นดูนี่ก็ใช้ความคิดใช้ความอยากกันจากการยังมาใช้พุทธโธก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราลดการไปนู่นมานี่ได้การไปดูไปฟังอะไรได้เราก็จะมีเวลามาเพิ่ ม, พ, มพุทธโธให้มากขึ้นมากขึ้นคนบางคนจึงต้องปลีกวิเวกหาเวลามาอยู่วัดกันมาอยู่วัดเพื่อนหนึ่งเวลามาก็จะได้ละละความอยากกับสิ่งที่เยอยาก สองจะได้มีเวลามาฝึกสติมาเจริญสติให้มากขึ้น <c oughs> แต่คนบางคนก็ไม่เข้าใจมาอยู่วัดก็ยังเอาของที่เคยติดม า, มาด้วย <c oughs> เคยกินกาแฟก็เอากาแฟมาด้วยอย่างนี้ก็อย่ามาดีกว่า <c oughs> บางคนเดี๋ยวนี้กามือถือมาดูละครได้ <c oughs> <c oughs> อยากจะดูละครก็ดูผ่านมือถือได้ถ้ามาอย่างนี้ก็อย่ามาดีกว่ามันก็ ต้องอย่าเอาสิ่งที่เราเคยติดมาอย่าเอาละครมาอย่าเอากาแฟมาอย่าเอาขนมของกินมาเอามาก็กินตามมีตามเกิดไปการกินตามมีตามเกิดมันไม่เป็นความอยากเพราะเราไม่ได้เป็นคนไปหามันมันมาหาเราอย่างนี้ไม่เป็นความอยากอย่างพระเวลาไปบินตบานนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นทําด้วยความอยาก กินก็ไม่ได้กินด้วยความอยากเพราะไม่รู้จะกินอะไรวันนั้นเน่แล้วแต่ญาติโยมจะให้อะไรมาก็กินไหมแต่ญาติโยมเวลาจะกินนี่มันอยากก่อนไปแล้วมันถึงไปหาสิ่งที่อยากกินต่างกันนกินด้วยความอยากก็คือใจเราคิดไปหามันก่อนแล้วก็ไปหามันส่วนกินตามมีตามเกิดนี้ใจไม่ได้คิดมันมาหาเองเมื่อมันมาก็มีอะไรก็กินมันไป อย่างนี้ก็ไม่เป็นความอยากถ้ามาอยู่วัดก็ต้องมาอยู่แบบกินมันตามมีตามเกิดไปมีอะไรก็กินมันไปของที่ใครกินใครชอบก็อย่าเอาติดตัวมาของที่ใครชอบดูชอบฟังก็อย่าเอาติดตัวมาแล้วก็มาอยู่ที่วัดเพราะที่วัดนี้พยายามจะทำให้ไม่มีอะไรให้เราได้เสพนั่นเอง เพื่อเราจะได้มีเวลามาเจริญสติกันมาเจริญพุโทโธพุโทโธกันมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมกันอ่าอ่ น, นี่อันนี้เป็นขั้นตอนที่จะทาให้เราเข้าหาความสุขแบบใหม่ได้เลิกหาความสุขแบบเก่าได้อันนี้เราต้อง วางแผนเหมือนกับเวลาเราจะไปทับธุรกิจหรือไปทำอะไรเราต้องวางแผนแล่ะ ว, ว่าเราจะทำธุรกิจนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างมีแผนการอย่างไรขั้นตอนอย่างไรการเข้าหาความสงบหาความสุขในรูปแบบใหม่ก็มีขั้นตอนที่เราจะต้องวางแผนถ้าเราไม่วางแผนแล้วเราไม่เดินไปตามแผนมันก็ไม่ไปมันไม่ไปแล้วมันจะติดอยู่ที่เดิม เราต้องวางแผนมาต่อไปนี้เราจะลดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลงให้น้อยลงใครเสพบรร้อยหนึ่งก็ลดเอาแค่แปดสิบก่อนก็ได้เก้าสบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบลดมันลงมาลดรูปเสียงกลิ่นลดลงมาแล้วก็มาเพิ่มการฝึกสติจากศูนย์มาเป็นสิบเป็นยี่สิบสลับกัน ไอ้ที่เต็มร้อยก็ให้ลดมันลงมาเรื่อยๆไอ้ที่เป็นศูนย์ก็ให้มันเพิ่มขึ้นไปเนี่ยฝ่ายสติฝ่ายปัญญานี่เราอยู่ที่ศูนย์กันแต่ฝ่ายตัณหาความอยากนี้เราอยู่ที่ร้อยกันทีเราต้องมาเปลี่ยนทางแล้วให้มันลดฝ่ายตัณหาความอยากนี้จากร้อยให้มันลดเหลือเก้าสิบเหลือแปดสิบเจ็ดสิบฝ่ายธรรมะคือสติปัญญาที่มันมีจากศูนย์กลายมันเพิ่มเป็นสิบเป็นยี่สิบเป็นสามสิบไป โดยการไปหาเวลาไปอยู่วัดลดการลดเวลากับการไปหาสิ่งต่างๆตามความอยากลดการหาเงินหาทองลงหาเท่าที่จําเป็นถ้าไม่มีเงินทองมากมันความอยากมันก็น้อยลงไปเพราะความอยากมันต้องอาศัยเงินทองเป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนด้วยเย่นถ้าเรา ลดการหาเงินทองให้มันน้อยลงไปเราก็จะมีเงินทองใช้ตามความอยากน้อยลงไปแล้วเราก็จะมีเวลามาเจริญสติปัญญามากขึ้นในเมื่อเราทำงานน้อยลงเช่นแทนที่จะทำห้าวันก็ลดเหลือสี่วันได้มีวันไปวัดเพิ่มเป็นสามวันธรรมดาเราหยุดสองวัน เมื่อก่อนเราต้องไม่เคยคิดหาความสุขแบบใหม่เราก็จะไปเที่ยวกันเจ็ดวันก็เป็นเรื่องของความอยากหมดแต่พอเรามาได้ฟังยินได้ยินได้ฟังธรรมของอุตตะเจ้าว่ามีความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรเราอยากได้เราก็เอาวันหยุดที่เราหยุดทํางานนี้มาหาความสุขแบบใหม่แล้วเราลดการทํางานลงจากห้าวันหรือสี่วันเราก็จะมีวันอีกวันหนึ่งเป็นสามวันเนี่ย เราก็จะเริ่มมีเวลามาเพิ่มสติปัญญาขึ้นมากขึ้นไปลดความอยากลงไปเนี่ยมัน้งมันมีต้องต้องลดแล้วมีต้องเพิ่มต้องลดความอยากแล้วก็เพิ่มสติเพิ่มปัญญาด้วยการหาเวลามาปีกวิเวกมาอยู่วัดมาเจริญสติมาเจริญปัญญาถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยว ปัญหาความอยากที่เต็มร้อยก็จะเหลือศูนย์สติปัญญาที่มีศูนย์ก็จะก็จะเต็มร้อยขึ้นมาพอเต็มร้อยขึ้นมาทีนี้มันก็ความสงบมันก็จะเต็มร้อยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันเป็นขั้นตอนมันไม่ใช่เป็นของยากเย็นหรือว่าของลึกลับอะไรอยู่ที่ว่าเรารู้จักคิดรู้จั ก, กวางแผนหรือเปล่า ก็งานเหล่านี้ต้องวางแผนนะอย่าอย่าไปปล่อยให้มันไปตามมานาถามันไม่ไปหรอกมันจะไปตามกิเลสมันจะไปทางตันหาความอยากถ้าเราปล่อยใจไปเ้าถ้าอยากจะให้มันมาทางธรรมนี้เราต้องมีมาตรการมีมีขั้นตอนมีการวางแผนว่ า, า <c oughs> จะลดลงลดความอยากลงเท่าไหร่ดีจะเพิ่มสติปัญญามากขึ้นไปเท่าไหร่ดีดูวันที่เราใช้กับ ตันหาเราดูวันที่เราใช้กับการสร้างสติปัญญาตอนนี้เจ็ดวันนี้มีแต่สร้างให้กับตันหาทั้งนั้นปีหนึ่งอาจจะมีวันสองวันสามสี่วันที่จะมาสร้างสติปัญญากันนอกนั้นก็สร้างให้แต่ตันหาความอยากีเราลองลองเริ่มลดจำนวนวันที่เราไปใช้กับตันหาดูแล้วก็มาเพิ่มวันที่เรามาสร้างสติปัญญากันดีต่อไปเราก็จะสามารถ ทำให้ทุกวันนี้เป็นวันที่สร้างสติปัญญาก็ได้วันที่เราออกบวชนี่ะเป็นวันที่เราจะสามารถที่จะใช้ทุกวันนี้เป็นวันที่สำหรับการสร้างสติปัญญาเมื่อเรามีเวลาสร้างสติปัญญาผลที่เกิดจากการสร้างสติปัญญามันก็ต้องเกิดก็คือความสงบพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้น ท่านไม่ได้อยู่ดีๆเป็นสาวกขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะมีความคิดว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นขึ้นมามันไม่ได้เป็นด้วยความคิดก็าใช่ไหมมันไม่ได้เป็นอยากจะเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็คิดว่าต่อไปนี้เราจะเป็นพระอรหันต์มันไม่เป็นด้วยความคิดเรามันมันเป็นด้วยการวางแผนด้วยการวางแผนการของการปฏิบัติเป็นการเปลี่ยนนิสัยของเรานั่นเองการเป็นพระอรหันต์ก็เป็นการเปลี่ยนนิสัย จากนิสัยที่มีแต่ความอยากให้มันไม่มีความอยากเท่านั้นเองเราะฉั้นเราต้องวางแผนต้องพิจารณาเป้าหมายหลักก็คือต้องก็คือให้ดึงใจเข้าข้างในอย่าส่งใจออกข้างนอกถ้าส่งใจออกข้างนอกส่งใจไปหารูปเสียงกลิ่นแก็ไปทางตัญหาความอยากถ้าดึงใจเข้าด้วยพุโทโธพุโทโธด้วยการใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดึงใจให้เข้าข้างใน พิจารณาสิ่งที่ทุกอย่างในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอันนี้ก็จะดึงใจให้เข้าข้างในให้ดูตรงนี้นะดูว่าตอนนี้ใจของเราออกข้างนอกหรือเข้าข้างในถ้าออกข้างนอกก็หลงทางถูกหลอกถูกกิเลสหลอกไปถูกอวิชชาหลอกไปถ้าดึงเข้าข้างในก็แสดงว่ากาลังถูกธรรมะดึงเข้าข้างใน ถ้าให้ธรรมะดึงเข้าข้างในเราก็จะไปเจ อ, อนิจจังสุ ข, ขังอนัตตาถ้าให้อวิชชาส่งออกข้างนอกก็จะไปเจออนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาอยากเจอน้าตามากกว่าน้าในมาหาสมุทรเนี่ยพวกเรานี่ผลิตน้ําตามากกว่าน้ําในมาหาสมุทรไปแล้วโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่เคยสระเราไม่เคยวัดปริมาณน้ําตาที่เราหลั่งแต่ละครัง้งแต่ละภพแต่ละชาติ แต่พระพุทธเจ้านี้ท่านท่านรู้ท่านประมาณได้ท่านวิเคราะห์ได้ว่าเราเคยหลังน้ําตามามากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรเพราะเราไปตามอาวิชชาเราไปหาอนิจจังทุกขังอนัตตากันตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้ามาดึงให้เรากลับเข้าไปหาธรรมะเข้าไปหาความสงบกันด้วยการสร้างสติด้วยการสร้างปัญญาฉะนั้นก็ขอให้เรา พยายามใช้ธรรมะของพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้ดุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมูลนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปติยิช e ิตตังปฏิตังตุ მ หังคิดป้เมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติ อะระโสยะธาสัพิตโยวิวาชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทานสิลิสะนิจังวุฒาปจายโนยตารโอธรรมาวทานติอายุวันโอสุขัง พาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเ c e บ o o k เข้ามา416ย t u b บ143วิทยุออนไลน์31แล้วก็รับฟังบนเขา46รวมทั้งหมดเป็น636ครับมีใครอยากจะถามอะไรไหม ฟังแล้วไม่เข้าใจอยากจะถามก็เชิญถามได้เดี๋ย ว, วเดี๋ยวเอาาไมโครโฟนไปหนะ่อยมเดี๋ยวจะได้ยินไงพูดใกล้ๆปากหน่อยถ้าตื่นมาแล้วเนี่ยใกล้ๆกปากหน่อยถ้าตื่นมาแล้วเนี่ย อยากจะมาแต่ทาบุญแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมอันนี้ไม่ใช่สมุทยัยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เป็นมร์เนียเป็นมร์เป็นทานศีลภาวนาถ้าอยากจะทําทานอยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนานี่เรียวกว่าเป็นมร์เจ้าค่ะแต่ถ้าเราอยู่ในที่ปฏิบัติแล้วเราอยู่ในระดับภาวนาแล้วเราอยากจะไปทําทานไปทําผ้าป่าเนี่ยก็จะเป็นสมุทยัย Oh. เพราะมันจะมาทําลายการภาวนาแต่ถ้าเราแทนที่จะไปเที่ยวเราไปวัดอย่างเงี้ยเรียกก็เรียกว่าเป็นมรรคแทนที่จะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปวัดฟังเทศฟังธรรม อ, อย่างเงี้ยก็เป็นมรรคแต่ถ้าเรากําลังภาวนากําลังเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วอยากจะไปทอดผ้าป่าไปกราบสังเวชนิสถานที่อินเดีย อ, อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสมุทยัย ว่าเป็นความอยากเบื่อเดินจมกรมนั่งสมาธิอยากจะไปข้างนอกอย่างนี้ก็เป็นสมุทัยได้แต่ถ้าเราไปเที่ยวที่นู่นที่นี่แล้วไปเปลี่ยนที่ไปเที่ยวที่สังเวชนียสถานอย่างนี้ก็เป็นมั้งั้นมันมันอยู่ที่ระดับของเราว่าเราอยู่ระดับไหนถ้าเราอยู่ระดับสูงกว่าแล้วเราลงมาต่ํากว่ามันก็เป็นมันก็เป็นสมุทยัย ถ้าเราอยู่ต่ำกว่าแล้วเราไปสูงขึ้นมันก็เป็นมักเจ้าค่ะแต่จากการฟังธรรมนี่ก็หลุดไปทีละน้อยทีละน้อยเจ้าค่ะอ่ามันก็หลุดได้ก็มีประโยชน์แต่มันจะไม่หลุดหมดอะไรของที่มันยังติดอยู่แน่นมันจะไม่หลุดของที่มันติดไม่แน่นเหมือนซักผ้าเนี่ยถ้าเราใช้น้ำเปล่าๆมันก็มีหลุดบ้างแต่ ไอ้คาบสกปรกที่มันติดที่มันติดแน่นมันไม่มันไม่หลุดได้น้ำเปล่าต้องใช้ผงซับฟอกอันนี้ก็เหมือนกันการฟังธรรมนี่ก็เป็นเหมือนซักผ้า ด, ด้วยน้ำเปล่าแต่มันไม่หลุดหมดอยากใช้มันหลุดหมดต้องมีสมาธิเข้ามาช่วยมีสมาธิแล้วมีอะไรมันจะหลุดหมดเลย <Okay. S 2> ฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้เลย สมัยพุทธกาลตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมยุคแรกๆนี้ท่านแสดงธรรมให้กับพวกที่มีสมาธิกันแสดงให้ปัญจวัคคีย์แสดงให้นักบวชที่เขาได้ฌานได้สมาธิกันพอฟังธรรมปับ๊บกิตก็เลยหลุดพ้นเลยหลุดหมดเลยแต่สมัยนี้พวกเราฟังก็หลุดเหมือนกันแต่หลุดเพียงชิ้นสองชิ้นไม่หลุดหมดเพราะว่าเราไม่มีสมาธิ ไม่มีกำลังพอที่จะทำให้ทุกอย่างมันหลุดไปถ้าเรามาฝึกสมาธิบ่อยๆนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เวลาฟังธรรมก็บรรลุได้ที่พระอาจารย์บอกว่าเจ็ดวันเจ<ะ>็หลีก็อยู่ที่กำลังของสมาธิของแต่ละคนและอยู่ที่ความฉลาดที่จะ ท, ทันกิเลสที่คอยหลอกเราหรือเปล่า ถ้าปัญญาช้าปัญญาทึบกล้า จ, จะไม่ทันอถ้าปัญญาฉลาดก็จะรู้ทันทันทีเวลากิเลสจะมาหลอกให้ไปทำ น, นูน่นทํานี่ฉะนั้นความฉลาดของแต่ละคนไม่เท่ากันไงคนบางคนฉลาดกว่าเด็กในห้องเรียนจึงมีเด็กที่เรียนเก่งกว่าไม่เดกเก่งกว่ากันไม่เก่งกว่ากันฮะมีเด็กได้เรียน อบได้ได้คะแนนที่หนึ่งบางคนก็ได้ที่โหลเพราะความฉลาดไม่ไม่เท่ากันความสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่ได้ได้ยินได้ฟังไม่เท่ากันโอเคทั้งความฉลาดและกิเลส ด, ด้วยป่ะเจ้าคะก็กิเลสมันตายเพราะความฉลาดเนี่ยแหละถ้ามันถ้ามันไม่มีความฉลาดกิเลสมันก็ข้อ ง, งําจิตใจะ ก็มันก็มีส่วนถ้ากิเลสหนาก็แสดงว่าปัญญามันทึบอนงะมันถึงกิเลสมันถึงหนาถ้าปัญญามันมั น, ม, นมันแกรมคมกิเลสมันก็เบาบางเพราะปัญญาเป็นเครื่องชำระกิเลสถ้าปัญญาเต็มร้อยกิเลสก็สกศูนย์ถ้ากิเลสเต็มร้อยก็แสดงปัญญาศูนย์เนี่ยมันเป็นคู่อริกัน ของโมเรวอาจจะห้าสิบห้าสิบปัญญาห 50, 50. ้าสิบกียห้าสิบงั้นมาวัดไม่ได้หรอกพวกที่ไม่มาวัดเนี่ยเป็นพวกปัญญาศูนย์พวกที่ไม่ยอมฟังเทศฟังธรรมไม่ยอมเข้าวัดเนี่ยไปดั้งประชมหาเงินหาทองอยไรเงี่ ย, ยกับพวกที่หนีประชมมาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยตรงนี้ปัญญาห้าสิบเนี่ยจะให้กำลังใจอ่าก็เป็นความจริงไม่ได้หรอกอ่า สาธุนะกลับไปทำ ง, งานต่อแล้วกลับไปประชุมต่ อ, อทางบ้านมีอะไรไหมอเอาเลยคำถามจากคุณมาศีการถวายพัฒหารพระจำเป็นต้องปรุงแต่งให้เลอเลอดเช่นจัดสเต็กพิซซ่าหมูสเต๊ สารพัด <c oughs> เช่นเดียวกับผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมยังคงคัดสรรอาหารเลอเลอิศดยังมีการถ่ายภาพหมู่โพสทตาเซลฟี่อย่างนี้จะลดกิเลสได้ไหมคะสมควรทำไหมคะการถวายพัตหารถวายเฉพาะอาหารสะอาดถูกกลัดโภชนาการไม่เน้นความเลิศรสอยากทราบว่าที่ทำเหมาะสมไหมคะ ก็แล้วแต่เราก็แล้วกันคนถวายนี้เป็นคนที่จะต้องพิจารณาเองว่าควรจะถวายในรูปแบบไหนคนรับนี้ก็ยินดีตามมีตามเกิดก็แล้วกันเขาจะทํามาแบบปฏิปดาแบบเลิศรู้ยังไงถ้าคนรับไม่ไปยินดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเกิอหน้าที่ของคนให้กับหน้าที่ของคนรับไม่เหมือนกัน หน้าที่ของคนให้ตามหลักของการให้ทานเนี่ยท่านก็สอนว่าให้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นการขัดเกลากิเลสของผู้ให้ผู้ให้ยิ่งให้สิ่งที่ดีแก่ผู้อื่นนี่แสดงว่ามีความเสียสละมากมีความเห็นประโยชน์ของผู้อื่นมากกว่าไปเห็นประโยชน์ของตน แต่ถ้ามันทำกลับกันเวลาให้คนอื่นให้แต่ของไม่ดีเวลาให้ตัวเองให้แต่ของดีเงี้ยอันนี้มันเป็นการสะสมกิเลสอัตตาตัวตนการให้นี่ก็เป็นการละอัตตาตัวตนคือละการกระทำอะไรให้กับตนไปทำให้กับผู้อื่นเมื่อจะทำให้กับผู้อื่นก็ต้องทให้มันดีเหมือนกับที่เราทำให้กับเราใช่อ มันจะได้มีการเสียสละมากมีการลดละอัตตาตัวตนมากเพราะฉะนั้นลองควเข้าใจผิดเวลาว่าถวายของพระพระกินอะไรก็ได้เดี๋ยวก็ซื้ออะไรให้พระกินก็ได้แต่เวลาตัวเองกินไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยตัวเองกินเราต้องกินอย่างนั้นต้องกินอย่างนี้ต้องไปกินที่นั่นต้องไปกินที่นี่มันก็เป็นกิเลส เวลาต้องดัดกิเลส ข, ของเราถ้าเราอยากกินที่นั่นที่นี่เวลาเราให้ของคนอื่นเราก็ต้องให้แบบของที่เราอยากได้เอมันจะได้อสมสมกับตัวของเราออันนี้ก็เป็นหลักที่เราที่เราถูกสอนมาเวลาให้เราควรจะให้ของที่มีคุณค่ามีประโยชน์มีของดีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของที่เรารักเราชอบเราหวง เมื่อเราให้กับคนอื่นได้สแสดงว่าเราละความรักความหวงของเราได้ออ่ถ้าเวลาให้คนอื่นนี่เราให้แต่ของไม่ดีเพราอเป็นของที่เราไม่อยากได้พอเรามีของอไหนเราไม่ชอบเราไม่อยากได้ก็ให้คนอื่นนี่มันความรู้สึกที่เราได้เสียสละนี่มันน้อย เพราะมันเป็นการกำจัดของที่เราไม่ต้องการใช่มากกว่าแต่ถ้าให้ของที่เรารักได้เนี่ยมันเป็นการตัดความผูกพันตัดความรักที่จะทำให้เราต้องทุกข์เวลาที่เราต้องสูญเสียมันในเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ถ้าเราให้ของที่เราลักได้เวลาเกิดมันเราสูญเสียมันไปนี่เราจะไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจมาก เนั้นเป้าหมายของการให้ก็เพื่อตัดความรักความผูกพันนะสิ่งที่เรารักถึงที่เราผูกพันก็คือของที่เราคิดว่าดีของที่เราคิดว่ามีคุณค่ากับเราเออาฉะนั้นเราควรจะให้อย่างนั้นไปจะได้ประโยชน์จะได้บุญมากกว่าคือได้ความสุขใจอิ่มใจภูมิใจมากกว่าการให้ของที่เราไม่รักเราไม่ชอบ เพะนั้นเรื่องของผู้ให้กับเรื่องของผู้รับนี้ไม่ควรที่จะามาใช้มาตรฐานเดียวกันผู้รับก็ควรจะยินดีตามมีตามเกิดเช่นวันนี้วันเกิดเราเพื่อนฝูงเอาของขวัญมาให้เราบางคนก็เอาของที่เราชอบบางคนเขาเอาของที่ไม่ชอบมาให้เราเราก็ต้องยินดีตามมีตามเกิดเราก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกับของที่เราชอบเขาให้อะไรเรามา เขาอาจจะชอบแบบนั้นแล้วเขาก็เลยเ อ, เอามาให้เราเพราะเขาคิดว่าเป็นของที่เขารักเขาที่เขาดีที่สุดสำหรับเขาเขามาให้เราแต่มันอาจจะไม่ใช่ตรงกับความคิดของเราก็ได้แต่ผู้รับไม่ควรที่จะไปคิดว่าไม่ดีเอาให้ของไม่ดีให้กับเราก็ เ, าเลยไม่ยินดีอันนี้ก็ไม่ถูกเราต้องยินดีกับความเมตตาของผู้อื่น ไม่ว่าเขาจะให้อะไเรามาเพราะแต่ละคนอาจจะมีความรักความชอบไม่เหมือนกันไม่มีความสามารถที่จะของที่มีคุณค่าราคาไม่เท่ากันแต่น้ำใจนี้เหมือนกันน้ำใจที่เขาเอามาให้กับเรานี้เหมือนกันอย่างที่เราตอบแทนไม่ได้ตอบแทนกับของที่เขาให้ที่เราตอบรับไม่ได้ตอบรับกับของที่เขาให้แต่ตอบรับที่ ความเมตตาของเขาน้าใจของเขาที่เขามีต่อเราผู้รับควรจะละคิดอย่างนี้ไม่ควรที่จะไปคิดว่าจะต้องเป็นของดีของเลิศของที่เราชอบเท่านั้นส่วนผู้ให้เควรจะให้ที่ของดีของที่เรารักของที่เราชอบเพราะเราจะได้ประโยชน์สูงสุดได้บุญสูงสุดให้ของที่เราไม่รักเราไม่ชอบนี่ได้บุญน้อยกว่าได้ความรู้สึกน้อยกว่าความสุขใจอิ่มใจภูมิใจน้อยกว่ากัน คำถามจากาคุณเป้ ค, ครับสอบถามพระอาจารย์จากพุทธวจนะสักครู่นะครับการเกิดเป็นคนนั้นยากเปรียบกับปริมาณเศษดินปลายเล็บที่พระพุทธเจ้าเขี่ยขึ้นเทียบกับดินในโลกแสดงว่าหลังจากตายไปคนส่วนมากจะไม่ได้เกิดเป็นคนอีกจริงหรือไม่อย่างไรครับ คือปริมาณของคนมีน้อยกว่าปริมาณของสัตว์ชนิดอื่นเอย่างการที่จะเป็นคนได้ต้องมีพ่อแม่ใช่ไหมต้องมีคนทีนี้คนในโลกมีกี่พันคนผี่พันล้านคนแต่สัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมันมีมากมายกายกรองกว่ากันยั้นการจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี้ถึงแม้เวลาเราได้ไปใช้บุญใช้บาปหมดแล้วแต่มันไม่มีคิวให้เกิดน มันก็ต้องอยู่แบบไม่มีร่างกายไปก่อนอยู่แบบกลางๆไม่ได้เป็นอบายไม่ได้เป็นสวรรค์ดวงวิญญาณอยู่แบบนั้นโดยที่ไม่มีร่างกายก็เลยไม่ไ ม, ไ ม, ไ, มไม่สามารถที่จะได้ร่างกายมาทำประโยชน์ได้การมีร่างกายนี้มันทำให้เรามีโอกาสได้ทำบุญได้ถ้ามีพระพุทธศ า, าสนาก็มีโอกาสให้เราได้ศึกษาธรรมะได้ คุณค่าของการเป็นมนุษย์มันอยู่ตรงนี้การเป็นมนุษย์นี่เป็นเป็นภพที่เราจะมาทําบุญกันได้ถ้าเราไม่มีเป็นมนุษย์นี้เราไม่ได้ทําบุญกันเพราะภพอื่นๆ น, นี้เป็นไปที่เป็นที่เราไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปกันแต่การจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้คิวมันยาว เพราะว่าเหมือนกับมหาวิทยาลัยที่เด็กสอบเอ็นทานกันนี่เห็นเด็กอยากจะเข้ามหาลัยนี้เยอะมีจำนวนมากแต่มหาลัยที่จะรองรับเด็กได้นี้มีไม่มากเด็กก็เลยไม่สามารถเข้ามหาลัยได้ออได้ทุกคนออก็ต้องรอคิวไปก่อนออต้องรอให้มีพ่อแม่ออมาผสมพันธ์กันก่อนถึงจะได้ลูกสักคนหนึ่ง ใาสมัยนี้ก็อาจจะมีการคุมกำเนิดกันมากถึงแม้จะเป็นมนุษย์แตป่ประชากรของมนุษย์นี้ไม่เพิ่มมากเหมือนเมื่อก่อนไม่เพิ่มมากเหมือนของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่ก็ไม่มีการคุมกำเนิดแล้วเวลาเขาออกบางทีเขาออกทีเป็นโหลเป็นฝูงใช่ปลานี่ออกทีเป็นฝูงมดมแมลงพวกนี้ออกมาทีเยอะแ ย, ยะไปหมดเฉะน การที่จะไปเกิดเป็นอย่างอื่นนี่มันจึง่ายกว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะ <Yeah. S 1> คำถามจากคุณเป้นะครับ mm hmm. การกำหนดกายคตาสติทำให้เราตัดโซ่ของสายปฏิจจส ม, มุติบาทได้ใช่ไหมครับ mm hmm. และตอนที่เราจะตายถ้าเรากำหนดจิตที่กายเมื่อกายดับเราจะไม่เกิดการสร้างภพและสามารถนิพพานได้ไหมครับ มันมีนอกจากกายมันมีเวทนาแล้วก็มีเรื่องของจิตที่เรายังไปติดอยู่ไม่ใช่ติดแต่เฉพาะร่างกายเท่านั้นร่างกายนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใจเราไปผูกมัดอยู่นอกจากร่างกายก็มีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็จิตก็คืออารมณ์ที่เรายังไปผูกมัดอยู่อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดี อารมณ์ต่างๆที่เรายังไปผูกมัดอยู่เราต้องตัดทั้งสามอย่างนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะตัดร่างกายถ้าตัดร่างกายได้ก็ยังไม่หมดยังต้องตัดเวทนาตัดเวทนาแล้วก็ยังต้องไปตัดอารมณ์ทางจิตใจอถึงจะตัดปฏิจจสา ม, มุปบาทได้หมดคำถามจากคุณสิริสังขาร ในปฏิจจสมุปบาทกับสังขารในขันธ์สี่อันเดียวกันไหมคะอันเดียวกันสังขารสังขารสังขารหาวิญญาณวิญญาณก็ไปหาตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายก็ไปหารูปเสียงกลิ่นรสพอตาเจอรูปก็เกิดสัมผัสขึ้นมาพอเกิดสัมผัสก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมา เราเกิดความรู้สึกก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาเราเกิดความอยากก็เกิดอุปทานความยึดติดอยู่กับสิ่งที่เราอยากได้ขึ้นมาพอติดแล้วก็จะเกิดพบเพราะว่าจะต้องการให้มันอยู่ไปนานๆอยู่ไปเรื่อยๆไม่ให้มันหมดพอมันหมดก็ต้องไปก่อร่างสร้างพบขึ้นมาใหม่ไปเกิดใหม่พบก็คือภาวะภาวะภาวะของสิ่งที่เราได้มา เราก้องการให้มันอยู่อย่างทาวน forever พอมันไม่ forever เราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาตอมาทำต่อเหมือนหนังขาดเนี่ยพอหนังขาดเราก็ต้องเอามาต่อมันใหม่พอเวลาตายไปนี้ก็เหมือนชีวิตของเราขาดตอนไปช่วงคู่หนึ่งเราก็ต้องไปรอหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่เพื่อที่จะได้มาต่อหนังที่เราเล่นต่อใหม่เนี่ยมันก็ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยปฏิจจสมุปบาท พอเราชอบอะไรแล้วเราจะยึดจะติดจะอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดพอไม่อยู่เราก็ต้องไปหามาใหม่มาทดแทนมันใหม่ใช่ไหมมือถือนี่เราเปลี่ยนอยู่เรื่อยใช่ไหมพอเครื่องเก่าเสียเราใช้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนเครื่องใหม่หรือเครื่องเก่ามันหมดมันไ ม, ไม่ไม่ทันสมัยแล้วใช้กับอโปรแกรมใหม่ๆไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่คําถามจากคุณเชอร์เบล ช่วงนี้ช่วงเซลส์ใจมันคิดอยากไปซื้อของตลอดเลยค่ะสุดท้ายก็ตามกิเลสไปพอไปซื้อมาได้ได้มาเยอะก็ทุกเพราะเงินหมดเยอะแต่พอวันหลังก็อยากไปอีกอแบบนี้ต้องฝึกสติเยอะๆใช่ไหมเจ้าคะถึงจะหยุดมันได้ฝึกสติปัญญาด้วยต้องคิดว่ามันเป็นความสุขประเดี๋ยวประเดา ดีใจตอนที่ซื้อมาท่านึ่งแล้วเไป็นไงพอซื้อมาแล้วเก็บไว้ก็ต้องมาทุกข์กับมันแล้วบางทีก็ไม่ได้ใช้มันเก็บไว้เฉยๆความสุขที่เคยได้จากมันมองทีไรก็ไม่สุขเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆใช่ไหมตอนที่ซื้อมาใหม่ๆดูทีไรโอ้สุขเหลือเกินแต่พอสักพักหนึ่งแนละ้วพอมันชินชาแล้วมองแล้วก็รู้สึกเฉย ๆ, ๆสู้เอาเงินไปทําบุญไม่ได้เงินที่เราไปทําบุญนี่ ถึงแม้เวลาจะผ่านไปถ้าเราไปคิดถึงมันเราก็ยังเกิดความสุขขึ้นมาได้ความสุขเกิดจากการทําบุญนี่มันจะให้ความสุขเรายาวกว่านานกว่ากว่าความสุขที่เราได้จากการซื้อข้าวซื้อขอ ง, งต่างๆงั้นถ้าเราอยากจะดัดนิสัยก็เวลามี มีการลดราคาก็บอกถึงเวลาที่ต้องไปทำบุญด้ว <laughs> ยทําเงินที่จะไปซื้อของลดราคานี้ไปทำบุญให้หมดเะมันจะได้ไม่ต้องซื้อของเหล่านั้นแล้วมันก็จะทำให้เรามีความสุขมากกว่าเพราะสุขที่เกิดจากการทำบุญนี่มันเป็นความสุขที่อิ่มความสุขที่เย็นส่วนความสุขที่ได้จากการซื้อข้าวซื้อของตามความอยากเป็นสุขร้อนสุขที่หิว เพราะอะไรเดี๋ยวมันมีการขายลดราคาใหม่ก็หิวขึ้นมาใหม่แล้วอยากขึ้นมาใหม่แล้วแต่สุขที่เกิดจากการทาบนนี้ทําให้ใจเราอิ่มใจให้เราภูมิใจภูมิใจที่เราสามารถทําในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะทําได้คือการเสียสละ แล้วจะทําทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราทํานี้มันก็ยังทําให้เราอิ่มใจสุขใจอยู่ไม่มีเกิดความหิวไม่มีเงินทาบุญก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้า เ, าเคยซื้อของลดราคาพอเวลาไม่มีเงินซื้อของลดราคาเข่าหน้าที่เดือดร้อนแล้วสิใช่เหมงั้นให้คิดแบบนี้ด้วยปัญญาแล้วเราจะได้เปลี่ยนวิธีใช้เงินหาความสุขแบบแบบแบบการทาบุญดีกว่า ทำบนญแล้สุขใจอิ่มใจแล้วไม่มีอะไรต้องมาคอยดูแลรักษาใช่ไหมสิ่งได้แตเป็นภาระดูแลรักษาน้อยหลงเงินก้อนนี้หมดไปไม่ต้องมากังวลกับการดูแลรักษาเงินก้อนนี้ละสบายใจกว่าโดยซื้อข้าวซื้อของมาต้องหาที่เก็บหาที่รักษาแล้วสะแล้วบางทีก็ต้องคอยดูแลเดี๋ยวต้องต้องเอามาคอยเช็ดเอามาคอยปัดอยู่เรืเอ่อย ต้องใช้ปัญญาต้องคิดให้เป็นออคำถามจากคุณปัดครับหนูจะมีอาการแปลกคือเวลาจะมีผู้โทรติดต่อมาหาหนูจะมีอาการง่วงจนยังไม่ได้ต้องไปนอนหลับตาแล้วกำหนดพุดโทโธจนจิตนิ่งหลังจากรับสายแล้วเท่านั้นอาการง่วงหายไปหมดจะแก้ได้อย่างไรคะ ไม่รู้เพิ่งได้ยินวันนี้เราเจอเสียงโทรศัพท์ก็ง่วงขึ้นมาเนี่ยเราไม่ถามหมอดูได้วเป็นโรคโรคใหม่หรือเปล่าเป็นโรกแพนโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าไม่รู้ก็อย่างแบบมีมืโทรศั พ, พทพ์ก็แล้วกันปิดเครื่องโทรศัพท์เสมันจะได้ไม่ง่วงคำถามจากคุณทวิชาจะเรียนถามว่า จิตที่สงบหนูยังเห็นความคิดยังเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วยอย่างนี้ยังถือว่ายังไม่สงบเต็มที่ใช่ไหมคะและจิตช่วงนี้เป็นความสงบแต่ยังไม่ใช่จิตที่มีความสุขถูกต้องหรือเปล่าคะก็ดูเอาสมีสุขไม่สุขมันถ้ามันสงบยังไม่มากพอมันก็ยังอาจจะมีไม่มีสุขแล้ ม, มีสุขน้อยมันก็ทาไปได้เรื่อยก็แล้วกันมัน มันก็จะค่อยสงบมากขึ้นมากขึ้นความคิดก็จะน้อยลงน้อยลงความสุขก็จะปรากฏมากขึ้นมาเองดังนั้นนี้เราไม่ต้องกังวลเหมือนกับเวลาเรารับประทานอาหารแล้วกังวลหรือเปล่าตอนนี้อิ่มหรือยังสุขหรือยังก็กินมันเข้าไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่อิ่มมันยังไม่สุขก็ขกินมันเข้าไปเดี๋ยวกินไม่ดงมันก็รู้ว่าอิ่มแล้วสุขแล้วเออใช่ไหมเวลากินอิ่มแล้วสุขไหม กัะเวลานั่งสมาธิก็แบบเดียวกันะถ้ามันยังไม่สงบมันก็ยังไม่อิ่มมันยังไม่สุขก็นั่งต่อไปดูลมต่อไปพูดโทต่อไปเหมือนกินข้าวต่อไปเดี๋ยวถึงเวลามันสงบมันก็จะอิ่มมันก็จะสุขขึ้นมาเองอย่าไปวิพากวิจารณอย่าไปกงงังวลมันจะไม่ได้ทําถ้าไปนั่งเราไปนั่งวิพากวิจารให้ตอนนี้เราสุขแล้ว ย, ยังว ะ, อ, ะอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะสุขไม่มีวันที่จะอิ่มได้ อย่าไปคิดอย่าไปวิาพากษ์วิจาร์ให้พุทโธพุทโธไปเนื้อดูลมไปเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณธรรมนูนขอโอกาสกราบเรียนถามเราจะสังเกตหรือทราบได้อย่างไรว่าจิตมีสมาธิเข้มแข็งเพียงพอที่จะเจริญปัญญาแล้วหรือจิตยังไม่เข้มแข็งพอพอควรจะเน้นการทาสมาธิก่อน ก็ดูว่าเราลองลิกสิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่าถ้าเราเคยดื่มกาแฟลองเลิกดื่มกาแฟได้หรือเปล่าถ้าเลิกได้ก็แสดงว่าเรามีสมาธิถ้าเลิกไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิพอเลิกความอยากความอยากนี้เลิกต้องเลิกด้วยสมาธิแต่ต้องใช้ปัญญาเป็นผู้บอกว่าทาไมต้องเลิกเข้าใจไหมปัญญาไม่ได้เป็นผู้ที่จะทาให้เราเลิกสมาเลิกได้ต้องมีสมาธิ ถ้าไม่มีสมาธิดูยังปัญญาบอกไม่ดียังไงมันก็ยังอยากอ ย, กอยู่นั่นนะถ้ามันอยากเราก็หยุดมันให้ได้ถ้าหยุดได้ก็แสดงว่าเรามีสมาธิถึงจะหยุดมันได้เน่งั้นลองดูซิว่าเราเคยอยากอะไรแล้วเรานั่งสมาธิดูแล้วดูซิว่าเรามีกำลังสมาธิพอที่จะหยุดความอยากที่เราอยากได้หรื อ, อยัง ปัญญาเราก็รู้แล้วว่าที่ต้องอยากที่ต้องเลิกความอยากก็เพราะความอยากมันเป็นอันตรายต่อจิตใจมันจะทําให้ใจเราสัน่นทำให้ใจเราวุ่นวายทําให้ใจเราทุกข์เนี่ยคำถามจากคุณเก๋พี่ชายทํางานบริษัทเอกชนได้เปิดบริษัทของตัวเองโดยใช้ชื่อคนอื่นเป็นกรรมการ และนําบริษัทของตัวเองเข้ามารับงานของบริษัทที่ตัวเองทํางานเป็นลูกจ้างอยู่อย่างนี้ถือว่าเข้าข่ายช่อโกงผิดศีลข้อสองหรือไม่คะอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องของทางโลกมันซิกแซกมันมีอะไรไม่อยากจะไปวิาพากษ์วิจารณเพราะมันก็ลองฐานตัวเองดูก็แล้วกันว่ามันถูกไม่ถูกควรไม่ควรก็แล้วกันในาใยจ่าของคนทําย่อมรู้ใช่ไหม ถ้าถูกแล้วไม่ถูกควรแล้วไม่ควรเรื่องของทางโลกนี่เราขอพูดแบบรวมๆก็พออยากโกงพูดแค่นี้แต่วิธีโกงเใช่ไหมเราวิเคราะห์ว่าวิธีนี้โกงไม่วิีโกงนี่เราไม่ไม่มีปัญญาไม่อยากจะมาปวดหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเราวิเคราะห์ไปคนอื่นไม่เห็นด้วยก็ได้ถูกก็ดกได้ไม่พูดดีกว่าไม่เอาดีกว่าให้ไปคิดกันเอาเองก็แล้วกัน ให้ถือหลังง่ายๆว่ากองแล้วไม่กองก็แล้วกันถูกแร้วไม่ถูกควรแล้วไม่ควรคือคิดยังไงถึ ง, งจะรู้ว่าควรแล้วไม่ควรคือถ้าคนอื่นทํากับเราแบบนี้เราจะว่าดีหรือไม่ดีแล้วเราก็จะรู้ถ้าคนอื่นทํากับเราไม่เราว่าไม่ดีเราก็อย่าไปทํากับเขาก็แล้วกันคําถามจากคุณชัยยศกราบเรียนพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิ บริกรรมพุทธโธสักระยะหนึ่งคำบริกรรมหายไปคล้ายหลับตาคล้ายหลับแต่มีความรู้สึกว่าร่างกายตั้งตรงไม่ก้มไม่สับประกพอรู้สึกตัวอีกครั้งจึงจับคำบริกรรมพุทธโธใหม่อย่างนี้เรียกว่าเราหลับไปใช่หรือไม่ครับจะแก้ไขอย่างไรครับ ก็ถ้ามันนั่งอย่างนี้ก็จะต้องลุกขึ้นมาเดินก่อนลุกขึ้นมาเดินมาสร้างสติให้มากขึ้นเดินจงกรมแทนเดินแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเพราะเวลาเราเดินนี่มันจะไม่หลับง่ายเราสามารถที่พุโทโธได้อย่างต่อเนื่องเดินไปจะต้องรู้สึกว่ามันเมื่อยหรือรู้สึกว่ามันตื่นแล้วลองกลับไปนั่งใหม่ต่อถ้ายังหลับอยู่ก็ต้องมาเดินก่อนอาจจะต้องอจเดินจงกรมมากๆ เพื่อให้เกิดสติให้มากขึ้นไปก่อนถึงจะลงไปนั่งสมาธิได้คำถามจากคุณภริดากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะจากเมื่อสักครู่ที่มีการอธิบายเรื่องถ้าเราภาวนาแล้วอยากไปกราบที่สังเวชนียสถานเป็นสมุทัยหรือมักพระอาจารย์หมายถึง ขณะที่กำลังอยู่ในสมาธิภาวนาหรือหมายถึงตอนที่กำลังพักจากภาวนาแล้วมีความคิดว่าอยากไปค่ะขอความกระจาร่างด้วยค่ะก็นั่นแหละถ้าเราเข้าสู่การภาวนาแล้วเหมการที่เราออกไปทางร่างกายไปที่อื่นนี่ก็เรียกว่าเป็นสมุทัยแล้วถ้าเราไม่เก็บตัวไม่เปกวิเวกเพื่อเจริญสติเพื่อเจริญปัญญา ถ้าเราอยากจะไปกราบครูบาอาจารย์ไปกราบที่นู่นที่ น, นี่อันนี้มันเป็นสมุทไทยยกเว้นว่ามีเหตุผลทางธรรมะจริงๆเช่นปฏิบัติแล้วติดปัญหาแก้ตัวเองไม่ได้ต้องไปหาครูบาอาจารย์เพื่อให้ท่านแก้ให้เราอย่างนี้ถ้าไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นสมุดไทยแต่ถ้าไปเพราะความอยากคิดถึงท่านอยากจะไปฟังเสียงท่านเห็นหน้าท่านอย่างนี้ เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วว้าเวมันไม่ได้ผลก็เลยทำให้เกิดนิวรณความอยากขึ้นมาอันนี้เป็นต้องดูว่าด้วยเหตุผลอันใดเรื่องการไปสังเวียนีสถานนี่มันไปเพื่อให้เรามี S <S มีความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเท่านั้นแหละที่ให้ไปนั่นแหละจะได้เราจะได้ไม่สงสัยเราจะได้มั่นใจว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าจริงคำสอนของท่านก็ต้องเป็นความจริงผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเป็นความจริงเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปครูบาอาจารย์ลองอ่านประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆดูถ้าไม่ได้ไปสังเวยกันหนอกเพราะท่านมีความมั่นใจ ท่านเลยไม่ต้องไปท่านปฏิบัติธรรมของท่านปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าเลยแล้วท่านก็ได้บรรลุปเป็นพระอาหันกันเลยแต่สําหรับคนที่อาจจะมีความสงสัยยังไม่เข้าใจไม่เชื่อว่ามีจริงหรือไม่มีจริงการไปตามสางเวชนิยสถานนี้มันก็อาจจะทําให้เกิดความเชื่อขึ้นมาได้มีความมั่นใจว่าเป็นเรื่องจริงพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องจริงคําสอนของท่านก็ต้องเป็นความจริง ภาษาโกที่มันรู้จากคำสอนของท่านก็ต้องเป็นความจริงเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ทีนี้มั่นใจแล้วว่าเชื่อคำสอนของพระเจ้าได้ปฏิบัติตามคำสอนได้เมื่อเราเริ่มปฏิบัติแล้วเราก็ยังไม่ต้องไปสังเวแล้วไปทำไมใช่ไม้มนี้พระพุทธเจา้าก็ไม่ได้สอนให้ไปสังเวถ้าเราเข้าสู่การปฏิบัติแล้วถ้าเข้าสู่การปฏิบัติแล้วท่านสอนว่าไปปีกวิเวกไปหาที่สงบ ไปเจริญกรรมฐานเอไปเจริญธุดงควัตเนี่ยท่านสอนอย่างนี้งั้นมันอยู่ที่ระดับของการปฏิบัติของเราอย่างที่อธิบายเมื่อเริ่มต้นถ้าเราอยู่ระดับต่ําแล้วเราไปสู่ระดับสูงมันก็เป็นมรรคใช่ไหมถ้าเราชอบไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวตา่ตางๆเออทีนี้เราเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวจากไปที่แหล่งท่องเที่ยวไปเป็นสังเวชานีสสถานอย่างนี้ก็เป็นมรรคเพราะเราจะได้ เราอาจจะยังไม่มีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราอยากจะมีความเชื่อเราอาจจะต้องไปสังเวยแทนที่เราจะไปเที่ยวตามที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็จะเป็นมัจแต่ถ้าเราไปเชื่อแล้วเรารู้แล้วว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเราต้องปฏิบัติแล้วนี้ถ้าเราปฏิบัติแล้วเรากลับเปลี่ยนอยากจะไปสังเวอันนี้ละ่ะมันก็จะเป็น เ, เป็นสมุทยัยมันจะหลอกให้เราออกจากการปฏิบัติ่ย มันจะไม่ให้เราปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสมันไม่ชอบให้เราปฏิบัติธรรมมันชอบให้เราไปเที่ยวคำถามจากคุณกิติกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลาพิจารณากายตอนพิจารณาจิตคล้อยแต่ความเข้าใจนั้นจะตั้งอยู่ในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็กลับมาหลงอีกจึงมีสองคำถามนะครับ คำถามที่หนึ่งสมาธิน้อยไปใช่ไหมครับวนหนึ่งก็สมาธิหมดกำลังพอสมาธิอ่อนลงกิลเลสที่ถูกกดด้วยกำลังของสมาธิก็จะออกมาลังควานใจจะมาลากใจให้ไปคิดเรื่องของกิลเลสแทนจะคิดถึงอาสุภาพก็ให้ไปคิดถึงเรื่องสวยเรื่องงามอันนี้ก็มีส่วนกำลังของสมาธิหมดครับคำถามอีกข้อนะครับ เราต้องพิจารณากายซ้ำๆแบบเดิมทุกวันใช่ไหมครับคือการพิจารณาก็เพื่อให้เราไม่หลงไม่เดือมเนให้ร่างกายที่ให้มันเห็นครบทั้งอาการ32มเนี่ยตอนนี้เราเห็นเพียงครึ่งเดียวเห็นบางส่วนเห็นด้านนอกแต่เราไม่เห็นด้านในเราไม่เห็นแก่เจ็บตายเราไม่เห็นการเป็นดินน้ำลมไฟของร่างกาย เราต้องพิจารณาจะก็ต้่งเห็นชัดทุกครั้งเห็นร่างกายเห็นหมดเลยเห็นปั๊บรู้ว่าเป็นธาตุสี่เห็นพั๊บรู้ว่าเป็นดินเห็นว่าเป็นอาการสามสิบสองเห็นว่าต้องแก่เจ็บตายเนี่ยมันต้องเห็นแบบเวลาเราท่องสูตรคูเนี้ถ้าเราท่องสูตรคูณปั๊บพอเราเห็นเลขแปดคูณแปดนี่มันจะได้คําตอบทันทีใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ท่องไวแปดคูณแปดก็นั่งแปดคูณปดได้เท่าไหร่ใช่ไหม แต่อาสัยการท่องจำบ่อยๆอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการท่องจำสูตรคูณต้องพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งมันเห็นตลอดเวลาไม่หลงไม่ลืมคำถามจากคุณซอกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากถามพระอาจารย์ว่าเวลาเราทาผิดศีลค่ามดค่ายุงอีกใจหนึ่งก็บอกว่าอย่าทํานะเดี๋ยวบาป อีกใจหนึ่งก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพระอาจารย์เหมือนมันมีใจสองใจอีกใจหนึ่งช่วยอีกใจหนึ่งตีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับก็กิเลส ก, กับธรรมะต่อสู้กันไงธรรมะก็คือมันผิดกิเลสก็บอกไม่เป็นไรเนี่มันก็เป็นการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับกิเลสที่มีอยู่ในใจเรา หน้าที่ของเราก็คือพยายามสร้างธรรมะให้ขึ้นมาให้มากเพื่อจะได้กาจัดกิเลสที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปหมดแล้วเลย เ, ออเดี๋ยวให้ข้านาทออีใจของเรานี่เป็นเหมือนสนาม เ, ออเป็นเหมือนกับรถยนต์รถยนต์นี่มีที่ขับได้ขับคนเดียวใช่ไห อ, อแต่คนขับบางทีถ้ามีสองคนก็ต้องแย่งกันขับใช่ไหม คนหนึ่งก็ชอบขับแบบสวิตสวาสแบบรวดเร็วทันใจอีกคนก็ชอบขับแบบเรียบร้อยไปแบบปลอดภัยใจเราก็มีคนมันจะมาแย่งใจเราขับกิเลสมันก็อยากจะดึงใจเราออกข้างนอกสมุ ท, ทยัยคือกิเลสตัณหามันก็อยากจะดึงใจให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปหาความทุกข์ธรรมะก็อยากจะดึงใจเราให้เข้าข้างในเข้าสู่ความสงบ ใ, ใจของเราตอนนี้อยู่ที่กำลังของใครมีมากกว่ากันถ้าถ้าสมุทัยมีกำลังมากกว่าเราก็ไปหาความทุกข์กันถ้าธรรมะมีกำลังมากกว่าเราก็ไปหาความสุขกันไปหาความสงบกันคำถามจากคุณธรรมนูนกราบเรียนถามครับกระผมฝึกสมาธิด้วยการบริกรรมพุทโธควบกับลมหายใจเข้าออกด้วย ปฏิบัติเช่นนี้มาเป็นเวลานานแล้วในกรณีที่อยากจะดึงจิตกลับเข้ามาอย่างเร็วๆแ ร, รงๆเช่นจากความเจ็บปวดผมจะไม่สามารถบริกรรมพุทโธเร็วๆได้พยายามจะแยกการบริกรรมออกจากลมหายใจแต่ยังทำไม่ได้ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยครับ ก็อย่าไปสนใจลมนั้นเองอย่าไปรับอย่าไปดูลมให้อยู่กับคำบริกรรมเพลงอย่างเดียวเมื่อก่อนเราดูลมด้วยบริกรรมไปกับมันด้วยตอนนี้เราก็เวลาที่เราต้องการบริกรรมให้เร็วแล้วก็ทิ้งลมไปทนั้นเองอย่าไปดูลมให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วก็บริกรรมให้มันถี่ขึ้นทนั้นเองไม่เห็นมันน่าจะมีปัญหาอะไรอาจจะเป็นเพราะมันติดเป็นิสัยมัน เมืนคนเคยใช้มือซ้ายพอใช้มาใช้มือขวาก็ใช้ไม่ได้เพราะมันติดการใช้มือซ้ายแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราฝืนมันไ ป, น เ, ปนเรื่อยๆบังคับมันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ได้คําถามต่อเนื่องนะครับลองปฏิบัติมาสองแบบคราวนี้เวลามีอะไรมากระทบหรือเวลาจะทําสมาธิบางครั้งเราก็ยินดีที่จะเอาฐานจิต ไว้ที่สะดือบางครั้งก็เอาไว้ที่ลิ้นปี๋จำเป็นไหมคะที่ต้องเลือกจุดใดจุดหนึ่งหรือตอนไหนพอใจจุดไหนก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเรากาลังทาอะไรถ้าเราทำสมาธิต้องการให้จิตนิ่งเราก็ต้องให้จิตอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งเช่นอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่กลางหน้าอกเงี้เพื่อให้จิตมีที่เกาะ ไม่ให้จิตไปไ ป, ไ ป, ไปนู่นมานี่ถ้าจิตยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่มันจะไม่สงบท่านต้องการนั่งเพื่อให้ความสงบมันก็ต้องให้มันอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งคาถามจากคุณพริดาหนูตกพวังหลายครั้งแต่ไม่เคยหลับพอรู้ตัวว่าตกพวังจึงบริกรรมพุทโธต่อเนื่องอจนรู้สึกว่าจิตแข็งแกร่งตั้งตรงขึ้นมาตื่นมาก หนูควรทําอย่างไรคะก็ทําต่อไปทําให้มันตื่นอยู่บ่อยๆให้มันตื่นแต่สงบไม่ใช่ตื่นแล้วฟุง้งมันมีตื่นแบบสงบกับตื่นแล้วฟุง้งตื่นแล้วสงบไม่คิดปรุงแต่งคําถามจากคุณอัจชราการดูอสุภะควรดูในสมาธิหรือนอกสมาธิอ๋อต้องนอกสมาธิเพราะเวลาอยู่ในสมาธินิจิตไม่คิดไม่สามารถดูได้การอยู่ในสมาธิเพื่อสร้างอุเบกขา ให้ใจนิ่งใจเฉยพอใจออกจากสมาธิมาแล้วเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วเราถึงใช้ความคิดปรุงแต่งนี้ไปกับเรื่องที่เราต้องการให้จิตพิจารณาเพื่อเราจะได้เห็นภาพเห็นความจริงของร่างกายาข้อสุดท้ายน ะ, ค, ะคำถามจากคุณริกกี้ถ้าไม่ได้นั่งสมาธิ แต่ใช้เดินจงกรมแทนประมาณจงกรมหนึ่งชั่วโมงโดยใช้พุธโทแต่จิตเผลง่ายเวลาเผลอเราสามารถใช้คำภาวนาที่ยาวขึ้นได้ใช่หรือไม่ครับหรือควรใช้แต่พุธโทเหมือนตอนแรกครับเอาใช้อย่างไหนก็ได้ขอให้เราหยุดความคิดให้ได้ก็แล้วกันออบางทีใช้บทสวดมนต์ไปก็ได้พระภิกษุเวลา ที่ท่านบวชใหม่บางทีท่านก็หัดท่องพระปฏิโมกไปก็ได้เดินจงกรมไปแล้วท่านก็ท่องพระปฏิโมกที่มีสินสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อไปได้ประโยชน์สองอย่างได้ปฏิโมกด้วยแล้วก็ได้สติด้วยใช้ได้ถ้าเราอยู่กับบทสั้นๆไม่ได้แล้วก็เอาบทยาวๆก็ได้สวดพระสูตรไปก็ได้สวดอิติปิโสไปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่